สัปสำเนียงของป่า ก, ก็หยุดนิ่งลงราวกับนัดกันไว้แม้แต่ใบไม้เล็กๆ ก, ก็ไม่กระดิกพลานใหญ่กับแงสายเข้าไปซุบซิบอะไรกันอยู่กรู่ก็เดินเข้ามาที่เชษดถากับดารินผู้นั่งกระชับไรเฟิลอยู่ที่มุมโขดหินเตี้ยมันข้ามทาง น, น้ำไปฝั่งโน้ตแล้วครับดารินขยับปากจะถามตามนิสัยของรอนแต่แล้วก็ระงับเสียอดประราใจไม่ได้ในข้อที่ว่า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 แต่เอาละฉันจะพยายามชื่อว่ามันคงชินไปเองกล่าวจบหล่อนก็ลุกขึ้นเดินไปนอนอย่างที่ตามเดิมเชษฐาพูดอะไรกับพระพิณอีกสองสามคำก็กลับไปนอนบ้างจอมพ่านควักบุหรี่ออกมาจุดสูบยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วหันไปพยักหน้ากับแง่ทรายหมดยามของแกแล้วแง่ทรายแกไปนอนได้ต่อไปนี้เป็นยามของฉันแง่ทรายพาดไปล้มตัวนอนลงง่ายๆอย่างที่ของตน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 เป็นคำตอบแผ่วเบาหน้าตาเฉยอีกฝ่ายนึ่งเสื้อดุง้งแล้วหัวเราะหึ่หึ่งาตาของผมหรือของใครก็ตามมันสะท้อนตอบแสงฝ่ายแดงจ้าออกมาได้แล้วก็ไม่ต้องหลังเลยแล้วยิงได้ทันทีมายืนตรวจดูความเรียบร้อยของลูกแถวงั้นหรือมายืนตรวจดูว่าใครกลัวจะนอนไม่หลับบ้างตาคุณนั้นคอน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 เห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติปลุกผมทันทีรับรองถึงไม่เตือนผมก็ปลุกคุณแน่ระพินร้มตัวลงนอนแล้วเขาก็หลับไปอย่างง่ายๆตามนิสัยพอตีสี่ชายยันก็สะกิดปลุกเชษฐาเพียงแค่แตะไหล่ราชสกุลหนุ่มก็รู้สึกตัวในทันทีลุกขึ้นเตรียมตัวรับยามต่อเหตุการณ์ปกติดีหรือเชิดาถามเบาๆเรียบร้อยดีไม่มีอะไรกระโตะกระตากเลย ได้ยินแต่เสียงหมาป่าไกลๆเท่านั้นแต่พอนั่งยามเคริ้มๆตามันชักจะฝาดอยู่ดั่าไปต้องขยี้ตากันอยู่เรื่อยๆต้นไม้ต้นไล่หรือแม้กระทั่งแก่งโขดหินรอบตัวเรานี่มาดูท่าคล้ายจะเดินได้ยังไงพิกลแปลกพี่ลึกป่านี่มีอะไรรวงรวงตาอยู่เสมอแล้วชายหยันก็หัวเราะเอนตัวลงนอนปิดปากหาอากาศในขณะนี้มันหนาวเสียจนกระทั่งปลายจมูกและใบหูเย็นเฉียบเหมือนแช่น้ำแข็งชาไปหมด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 เชขาหัวเราะต่ำๆอยู่ในรำคอตอนปลายยามของแง่สายติดต่อกับยามต้นของระพินไอ้มหิยงสาวัยร้ายตัวนั้นเข้ามาย่องอยู่รอบแคมป์ของเราฮ่าชายยันร้องออกมาลุกพวดพลาดขึ้นนั่งโดยเร็วอย่างตกใจจริงเหรอสหายของเขาก้มหัวโงจริงฉันจะโกหกแกทำไมฉันไม่รู้สึกตัวเลยแกรูกสึกเหรอหรือว่าละพินบอก อีกฝ่ายหนึ่งพูดเร็วฝื้น้อยเป็นคนส ก, กิดปลุกชันเพราะเขาเห็นละพินกับแง่ทายด่อมฟังเสียงอะไรอยู่มันเดินรอบรอบแคมป์นี่เลยสอยเจตนาชัดว่ามีแผนที่จะเล่นงานพวกเราในขณะที่เผอตัวนอนหลับแต่พวกเรารู้สึกตัวกันเสีย ก, ก่อนเลยถอยไปเชื่อว่าคงไม่ไปไกลหรอกคงซุ่มดูเราอยู่แถวแถวนี้แหละไอ้ทรพีผีห่าชายยานครางออกมาตาสว่างขึ้นในทันทีนั้นความง่วงหายเป็นปิดทิ้ง ทำไมแกถึงไม่ปลุกฉันบ้างพี่โท่ปล่อยให้นอนอยู่ได้ก็มีแกกับเกิดสองคนเท่านั้นที่หลับอยู่ฉันจะปลุกแกแล้วแต่พรานใหญ่ห้ามไว้เขาคำนวณถูกว่ามันจะยังไม่กล้าจู่โจมเข้ามาอดีตในพรานตีจุ ป, ปากลัน่นโครงหัวหันไปมองดูระพินผู้นอนกอดอกหลับอยู่ข้างๆแหมให้ตายสิแต่พรานใหญ่ของเรานี่มันน่าเขี่ยให้สักปั๊บ ตอนตื่นรับยามพี่แกไม่แพร้งผายบอกให้กล่าวให้ฉันรู้บ้างเลยท่าทางก็เฉยเฉยไอฉันก็นึกว่าเหตุการณ์เรียบร้อยปกติมาทุกยามเก็บเงียบเชียวดีที่แกบอกขึ้นไม่องงั้นฉันก็ไม่รู้อยู่นั่นเองว่าขณะที่นอนกลอนครอกๆอยู่ไอมหิงสาตัวนั้นย่องเข้ามาใกล้ที่นอนของเราเชื่าหัวเราะระพินคงรู้นิสัยเจ็กตื่นไฟของแกดีกำมังถึงได้ยังไม่อยากจะบอกอะไรแกรู้คืนนี้ พรถึงยังไงแกก็ต้องรู้อยู่วันยังคำ่ำคืนให้รู้เสียก่อนดีไม่ดีแกนอนไม่หลับเสียเปล่าๆถึงฉันเองหรือน้อยก็เหมือนกันแล้พินไม่ได้ปลุกเรารู้สึกตัวและลุกขึ้นมาเองลงแบบนี้ก็ไม่ไดีการศิรระเชื่อถ้าชัยยันพึมพามสีหน้าเคร่งขรึมลงเราต้องจัดการกับมันอย่างจริงจังเสียแล้วโดยพักทางไอแหว่งไว้ชั่วคราวก่อนโอ้โหโกลางวันทําบุบายล่อให้ตาม พอกลางคืนเราพักนอ น, น, อนก็ย่องเข้ามาคอยจ้องโอกาสขยี้ขืนถือเป็นเรื่องเล็กมุ่งแต่จะตามไม้แหว่งอย่างเดียวพวกเราต้องเดือดร้อนแน่ถ้ายัางจัดการกับไอ้เจ้านี้ไม่ได้เด็ดขาดพวกเราก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาเป็นภัยที่ระวังยากสิ ด, ด้วยหัวหน้าคณะเดินทางอึ้งไปครู่ยกมือขึ้นลูปปลายคางฉันก็คิดอย่างแกนั่นแหละชา ย, ยันทีแรกนึกว่าจะมุ่งตามไม้แหว่งอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงเจ้าควายตัวนี้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 ราวกับจะเห็นอยู่ก่อนแล้วล่าจะสกุลหนุม่มวิ่งเข้ามาสมทบอยู่แน่ครับไม่มีทางเลยแบบนี้เขาพูดเรียบๆหันมายิ้มกับเชฐิฐาแล้วกาดำไฟฉายเห็นรอยเลือดที่ทรักอยู่เป็นกองโตรวมทั้งที่กระ จ, ระจายราวกับใครเอาสีมาระเลงไว้กับพุ่มไม้คงเสือหมอบบริเวณ น, นั้นแหลกเป็นแปลงเอ๊ะคุณรู้หรือว่าผมยิงอะไรเชิดาร้องถามอย่างสงสัย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 เราตามกันเดี๋ยวนี้เลยก็ยังไหวรับยินบอกอย่างมั่นใจตามเสือลำบากในเวลากลางคืนมันจะเหมาะหรือเช่ฐาแย้งเบาๆมองดูพรานใหญ่แล้วยิ้มจืดจืดผมรับรองครับถึงแม้เราจะไม่รู้ผลการยิงแน่ชัดว่าถูกตรงไหนแต่รอยเลือด ก, กับรอยดิ้นที่เห็นอยู่นี่พอจะสันนิษฐานได้มันต้องถูกชกันมากทีเดียวป่านนี้อาจไปนอนตายรอเราอยู่แล้วก็ได้คุณชายยิงด้วยจุดสี่ห้าแปดกระบอกนั้นไม่ใช่หรือครับ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 หัวหน้าคณะเดินทางว่าระพินหันไปสั่งเกิดกับแง่ทรายแล้วฉายไฟออกดีตามรอยเลือดที่เห็นชัดนั้นไปอย่างระมัดระวังนําร่วงหน้าคณะนายจ้างที่ตามอยู่เบื้องหลังกระชับไรเฟิลเตรียมพร้อมรอยไปของมันแห่พงไม้ทึบรูปเป็นทางเห็นได้ง่ายเลือดออกมากแสดงว่าบาดแผลจะกันยิ่งและลักษณะการไปอยู่ในอาการดิ้นโดนกระเสือกสนดมลุกคลุกคลานและบ้าเลือด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 แล้วลาสู่ห้วยแห้งที่สองฝ้าอุดมไปด้วยรกรรมพอตามรอยเลือดมาถึงขอบห้วยและฉายไฟลงไปทุกคนก็คลางออกมาพร้อมๆกันและพินคเนไม่ผิดเลยในลำห้วยแห้งนั้นร่างอันยาวเหยียดของเสือรายพาดกอตัวหนึ่งนอนตะแคงแน่นิ่งอยู่บนกองใบไม้ที่ร่นลงมาทับถมอัดเต็มจนมองไม่เห็นพื้นดินเลือดโอมไปทั้งตัวรอยที่มันกลิ้งหล่นจากขอบห้วยลงไปเห็นเป็นทางชัด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 และอย่าว่าแต่เม่นเลยต่อให้งูตัวเล็กเลื้อยเข้ามาใกล้และอย่าว่าแต่เม่นเลยต่อให้งูตัวเล็กเลื้อยเข้ามาใกล้แกก็ต้องรู้สึกตัวตื่นทันเสมอเรื่องระษาสัมผัสของคนเรานี่มันอยู่ที่การฝึกครับว่าจะให้เคยชินกับสิ่งใดคณะนายจ้างของเขาทั้งสามพากันหัวเราะขึ้นในเรื่องที่เขาเล่าดารินบอกมาว่ามีนิทานเล่าแก้เหงาให้ฟังได้เสมอแลวนะนายพราน นี่ไม่ใช่เรื่องนิทานครับแต่เป็นเรื่องจริงมีอย่างที่ไหนเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ยินกลับไปได้ยินเสียงเม่นเดินคุณถูกอิตาพรานเท่าหนานไพรนั่นตุนให้กำลังที่แกล้งทําเป็นนอนหลับขณะที่รถคันที่จะดับฝากซื้อของวิ่งเข้ามาใกล้แกคีดเกียดลุกขึ้นจะรอให้คุณลุกขึ้นวิ่งไปดักรถคนเดียวหล่อนแย้งมาปนหัวเราะแล้วพินทําหน้าขึงขังผมรับรองได้ว่าหนานไพรดับจริงๆครับ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 หนานไัยที่ว่านี่เป็นมือพรานเยี่ยมยอดมากไม่ใช่หรือสำหรับการล่าช้างแล้วก็ผมเคยเป็นลูกศิษย์แกนั่นแหละครับหนานไัยไม่เคยยิงช้างตัวไหนในระยะที่ห่างเกินกว่า29บเเวลานอนในป่าแทนที่จะนอนที่สูงกลับชอบนอนขวางดักอยู่กลางด่านสัตว์ผมเองก็ได้อะไรดีๆจากแกมามากเหมือนกันจะถือว่าเป็นครูก็ไม่ผิดน่าเสียดายที่แกมาตายเพราะกระทิงแต่ก็ตายสมศักดิ์พรานใหญ่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 ไม่ถือว่าใครเป็นสุภาพสตรีหรือใครเป็นสุภาพบุรุษลงมาด้วยกันแบบนี้แล้วเธอก็คือผู้ชายคนหนึ่งหล่อนค้อนอีกครั้งแต่ในด้านถ่อยคำวาจา ก, ก็ควรเกรงใจฉันบ้างสิมีอย่างหรือพูดออกมาได้ว่าสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกอ้อเธอเห็นผู้หญิงเป็นสัตว์ไปเสียแล้วงั้นหรือเพื่อนชายยกมือไหว้หัวเราะแห้งๆขอโทษอีกครั้งไม่ได้ตั้งใจเลย ผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนั่นแหละสัตว์มนุษย์ยังไงละ่ะไปได้น้ำขุนๆเดียวเหอะเดียสัตว์มีเขาที่หน้าอกก็แผ่นสัตว์มีหนวดที่ปากเสร็จด้วยพานท้ายปืนนี่หรอกหล่อนขยับพานท้ายจุดสี่เจ็ดูนย์ดับเบิลไรเฟิลคู่มือชายยันร้องร่นกระโดดถอยห่างออกไปพี่ชายทำหน้าที่ตุาการตามเคยจุบ ป, ปากเบาๆเอาล่ะเอาล่ะหยุดทะเลาะกันสิที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 เขาก็กลับให้คำตอบแบบกำากวมชวนให้เขวจนหล่อนไม่อาจตรงความเห็นอย่างใดได้ถูกระหว่างที่พรานใหญ่จิบกาแฟนิ่งเฉยอยู่นั้นเชษฐาก็กล่าวถามย้ำมาอีกว่าถามจริงๆเถอะเรื่องอย่างว่านี่เป็นความจริงหรือบพินจอมพรานยิ้มไม่มีใครตีความหมายในรอยยิ้มของเขาออกสีหน้ากล้านเกรียมคลึ้มไปด้วยคราวดกเป็นเงาอยู่ในสรัว ข, ของกองไฟ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 บางขณะก็หาสาเหตุของมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังคือคราวหนึ่งเมื่อผมยังมืออ่อนหัดและอยู่ในวัยรุ่นหัดนั่งห้างคนเดียวเป็นครั้งแรกที่ดินโปง่งเดือนมันหงายและป่าก็โปร่งผมเห็นจากแสงเดือนถนัดตาว่าหมูทธรตัวหนึ่งเดินลงมากินดินโปง่งเสียงขุดคุ้ยดินของมันเสียงเคี้ยวอาหารยืนยันอยู่ชัดว่าเป็นมัน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 มันหงายท้องนิ่งอยู่ตรงนั้นผมนั่งกะยินใจรอคอยแสงตะวันพอรุ่งเช้ามองลงมาอีกครั้งสิ่งที่ผมยิงล้มและเห็นนอนหงายท้องอยู่ในแสงจันทร์เมื่อคืนนี้นั้นที่แท้ก็คือตอไม้นั่นเองคำถามที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือว่าถ้าตาผมฝาดเห็นตอไม้เป็นหมูไปแล้วเสียงหวิดร้องของมันเสียงดิ้นทุรนทุราย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 ปืนไรเฟิลขนาดจุดสฟังเสียงใบไม้รัานกรอบแกรบอยู่เป็นเวลานานรอคอยจะแน่ใจพระไยินเสียงจุ่มจมูกลงไปในน้ำจึงฉายไฟปราดลงไปจากลำไปฉายมันเป็นกวางเขา ง, งามตัวใหญ่ทีเดียวผมยิงมีเสียงร้องลั่นออกมาทันทีที่กระสุนระเบิดรวผินกระดกลิ้นออกมาเรียริมฝีปากมองสบตาทุกคนถามว่านึกออกไหมครับกวางมันถูกปืนมันควรจะร้องเสียงยังไง ทุกคนสั่นหน้าไม่คิดจะค้นว่าเสียงกวางร้องมันควรจะเป็นเสียงอย่างไรเพระโม่แต่ตื่นเต้นกระหายที่จะฟังเรื่องราวจากเขาจอมพรานนิ่งไปครู่ก็หัวเราะหึห่งๆแล้วบอกมาหน้าตาเฉยด้วยเสียงเรียบๆ เ, เช่นเดินของเขาว่ามันร้องตอบเสียงปืนของผมออกมาว่าโอ้ยครับหูผมไม่ได้ฝาดจะเป็นกวางหรืออะไรผมก็ไม่กล้ายืนยันแต่ยืนยันได้ว่าได้ยินเสียงร้องอย่างนี้จริงๆ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 มาเดินขู่คำรามวนเวียนอยู่ใต้ห้างยิงเสียจนกระทั่งกระสุนที่ติดตัวเกลี้ยงฉาดแล้วก็นั่งตัวสันอยู่บนยอดไม้ภาวนาให้รุ่งเช้าเสียโดยเร็วบางขณะร่างของอะไรสักอย่างที่สูงขนาดยอดยางเดินก้าวผ่านห้างของผมไปสิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ทางจิตล้วนลงคําเห็นได้อย่างเดียวว่ามันเป็นภาพดวงตาในขณะที่จิตประสาทของคนเราไม่อยู่ในภาวะปกติ เมื่อคนเรากําลังเปล่าเปลี่ยวเอกาและบังเกิดความพรั่นพึงขึ้นมาก็สร้างภาพขึ้นมาลวงตัวเองผมเองก็ลงความเห็นอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อปลอบใจตนเองภายหลังจากผ่านพ้นภาวะนั้นไปแล้วทว่าในขณะที่มันกําลังเผชิญอยู่แต่ละครั้งนั่นสิผมแทบจะเสียสติเป็นบ้าไปเพราะความหวาดกลัวผมจะมีอะไรมาแก้าการของประสาทหลอนชนิดนี้ได้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 จนกระทั่งมาได้ยินจากปากคำของรพินเองซึ่งเขาเพิ่งจะเปิดเผยให้เราทราบเอาดูนี้เองลงพลานที่ผ่านอังกฤษอเมริกาเยอรมนีมาแล้วถึงสามประเทศบอกกระร้าแบบนี้มันก็ชัดเท่านั้นเชืาอัดควันจากกล้องหนักหน่วงสีน่าเคร่งขืมอืมหน้าคิดมากทีเดียวรพินคุณนี่เก็บอะไรต่ออะไรไว้มากหรือเกินนะเพิ่งมาค่อยๆขยายเรารู้เอาตอนที่เดินป่าลึกเข้ามาทุกขณะนี้เอง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 หรือจะมาหลอกลวงเราเพื่ออะไรดะพินคำพูดของคุณมีเกียรติเสมอคุณไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้เราฟังแต่เราคาดคันขอให้คุณอธิบายเองและคุณไม่ใช่พรานพื้นเมืองที่งมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยแช่มช้าหนักแน่นแน่นอนพวกเราด้วยกันทั้งหมดนี่ก็ได้เห็นดิ์เดชอาถรรพ์แปลกๆของป่า ก, กันอยู่ชัดเจนกับตาแล้วความพิสดารหน้าขนุกขนของไอ้กุด ความลึกลับมืดมนของเจ้าผีขโมย ท, ที่ยังขบกัดไม่แตกเล่เหลี่ยมราวกับอาชญากรที่แสนชาราดของเจ้ามหิงสาตัวนั้นและความเจ้าปัญญาเกินดดรัจฉานของไอ้แหวงสิ่งเหล่านี้ยืนยันในสิ่งที่คุณพูดได้เป็นอย่างดีชายยันกล่าวอย่างตึกตองมาอีกคนหนึ่งด้วยความรู้สึกอันไม่สู้จะสบายใจนะักแล้วก็หันมาทางดารินถามว่านักวิทยาศาสตร์จะว่ายังไง คราวนี้ไม่เห็นขัดคอในพรานของเราเลยนั่งเงียบเชียวนะแพทยสาวคนสวยยักษห่ยิ้มจืดๆพูดอ้อมแอ้มว่าฉันน่ะไม่อยากจะพูดเพราะเจอมากับตัวเองแล้วเจออะไรพี่ชายและเพื่อนชายถามมาโดยเร็วเป็นคำเดียวกันยิงสาวหัวเราะกร่อยๆแล้วก็เปิดเผยถึงความรีรับพิสดารของป่าซึ่งหลอนเผชิญมากับตนเองในคืนที่นั่งห้างคู่กับพระปินให้ทั้งสองฟังโดยตลอด เชษฐากับชายยันเต็มไปด้วยความงงงันพอหล่นเล่าจบชายยันก็คลางออกมาอ๋อนี่แม่นักวิทยาศาสตร์ตัวดีโดนเข้าให้แล้วเหรอปิดเงียบเชียวเพิ่งจะมาขยายเอาเดี๋ยนี้เองฉันไม่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะคิดว่ามันเป็นอุปทานสิมากกว่าขืนเล่าไปเธอกับพี่ใหญ่จะหัวเราะย่อเอากลายเป็นจุดอ่อนของฉันเสียเ ป, ปล่าถ้างั้นเชษฐาก็คิดถูกแล้ว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 ไม่เสียแรงเลยนะที่เราได้คุณมาเป็นคนนำทางในครั้งนี้พวกเราได้ศึกษาได้ได้ข้อคิดในเรื่องของป่าอย่างกว้างขวางเหลือเกินชนิดที่เราไม่เคยมีโอกาสรู้มาก่อนสารพัดทุกแง่ทุกมุมเลยแต่เสียอย่างเดียวคุณค่อยๆขยายออกมาทีละอย่างชั ย, ยันเอ่ย อ, ออกมาด้วยความรู้สึกแท้จริงดาลินก็ขัดพระองออกมาอ้าวตามธรรมเนียมของทิาปามโมกเกจิอาจารย์ผูป้ประสาท ประสิทธิระสารวิชาก็ต้องอย่างนี้สิคือต้องให้ผู้ที่จะมาฝากตัวเป็นศิษย์ตนนิบัติวัดถาลำบากลำบนไปกับอาจารย์เสียให้นานๆหน่อยจึงค่อยๆให้วิชาทีละขั้นทีละขั้นไปลูกศิษย์ต้องคอยกราบไหว้ง้อเงอนขอถ่ายทอดวิชาอยู่เสมอแหละไม่งั้นก็ไม่ให้แล้วปิณหัวเราะออกมาดังๆลากเสียงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณหญิงบางเอิญว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจะช่างพูด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 ผมสรุปได้แค่นี้แหละหญิงสาวหันไปทางพี่ชายบอกว่าฟังดูเถิดค่าพี่ใหญ่นายพานของเราคนนี้พูดอะไรเป็นสองแง่สองมุมทิ้งเป็นการบ้านที่เราต้องคิดปวดสมองอยู่เรื่อยวินิจฉัยลงไปไม่ได้แน่เหตุผลข้ออาธิบายของเราเปรียบเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนจับไม่ติดโธ่น้อยกอ็แล้วพี่บอกออกชาตอย่างนี้แล้วเธอยังจะไปคาดค้นไล่ต้อนเขาถึงไหนกัน เขาตอบเราอย่างปัญญาชนถ้าเธอเป็นปัญญาชนาเธอควรจะเข้าใจได้เองอยากจะได้คำตอบชนิดที่ไม่ต้องวินิจฉัยอะไรเลยเธอก็ควรจะไปถามเกิดหรือบุญคำสิชัยยันพูดพร้อมกับหัวเราะตัวเองก็ยอมรับว่าเห็นมากับตาแล้วเก่งจริงทำไมถึงต้องพึ่งคาถาสมานางไม้ที่เราผิดบอกให้ล่ะอ๋อแต่ว่าเธอชื่อเรื่องนี้รอยเปอร์เซ็นเต็มสิ ยอมสารภาพว่าในอาณาจักรพงไพรนี่ละก็ฉันยอมเชื่อพรานใหญ่ของเราทุกอย่างลงคิดจะถ่ายทอดร่าเรียนวิชากันแล้วลูกศิษย์ไม่เชื่อครูแล้วจะไปเชื่อใครไม่หนำสามยังเป็นครูที่เห็นฝีมือมาแล้วว่าขนาดไหนหลอนหันไปทางจอมพรานบอกว่าเป็นโอกาสของเราแล้วในพรานเขาหลังชี้สิงให้ชัยยันดูแล้วบอกว่าเป็นช้างเขาจะต้องเชื่อคุณแน่ ระพินกับเชษฐถาพากันหัวเราะรัน่นแต่ชายยันทำหน้าขึงขังจริงจังอ๋อไม่มีปัญหาแม้สายตาของฉันจะมองเห็นอยู่ทนโท้ว่าเป็นลิงแต่ถ้าพินบอกว่านั่นคือช้างฉันก็ต้องเชื่อตามเขาร้อยเปอร์เซนเพราะตาเขาจะต้องดีกว่าฉันแน่ๆใครจะรู้ได้ฉันอาจตาฝาเห็นช้างกลายเป็นลิงไปก็ได้ไม่ใช่เธอนี่ละพินบอกว่าควายป่าเธอกับบอกว่าวัวเถียงกันยังไม่ทันขาดคา ไอ้มหิงสาตัวนั้นก็พุ่งพรวดก็ใส่เลยเมื่อวานนี้ลืมใช่แล้วเละไม่ได้พรานใหญ่ของเราที่กระชากคนอวดดีสู่รู้หลบเสียทันอย่างวุดนวิตป่านนี้ถือก็แหลกไปแล้วดาดินนิ่งเฉยทำหน้าไม่รู้มิชี้เสียพอพูดถึงมหิงสาควายยักษ์ตัวนั้นบรรยากาศของการสนทนาที่กำลังคลึกครื้นสนุกสนานก็เปลี่ยนมาเป็นเคร่งเครียดอีกครั้งเชษฐาหันไปปรึกษาหาหลือกับชายยันครู่หนึ่งก็หันมาทางจอมพราน เราเห็นจะต้องเปลี่ยนแผนชั่วคราวแล้วราพินเกี่ยวกับไอ้ควายมหาการตัวนี้ทีแรกเราไม่ได้สนใจอะไรกับมันนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นทีจะต้องหันมาพิจารณามันให้จริงจังเด็ดขาดลงไปปล่อยไว้ไม่เหมาะแน่ลงมาตามวนเวียนร่ำๆ่มองๆองสะกดเราอยู่แบบนี้พักทางไอแ้แหวงไว้ชั่วคราวมุ่งตามมันก่อนหรือครับควรจะเป็นอย่างนั้นชายยานบอกมาแทนอย่างหนักแน่น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 ค่อยหาลือกันใหม่ที่รังก่อนอื่นตามไม้ควายเขาเกตัวนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตัวมันเราเห็นจะไม่มีทางเข้าถึงไอแหวงหรอกยิ่งกว่านั้นยังเต็มไปด้วยอันตรายเมื่อเป็นคาสั่งของหัวหน้าคณะเดินทางพรานใหญ่ก็ไม่มีอะไรขัดข้องทุกคนกินอาหารมื้อเช้ากันเรียบร้อยก่อนสว่างเล็กน้อยพอป่าเริ่มปรากฏแสงรางๆพอจะมมองเห็นหน้ากันได้ถนัดโดยไม่ต้องอาศัยกองไฟ เขาก็นำทุกคนออกสำรวจรอบบริเวณที่พักนอนไม่มีอะไรจะต้องเคลือบแคลงแม้แต่นิดเดียวรอยตีนของเจ้ามะฮิงสาตัวนั้นปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัดยืนยันว่าทั้งรปินและงแงสายไม่ได้จับรหัสเหตุร้ายเมื่อคืนนี้ผิดพลาดไปเลยมันเดินเราะวนเวียนอยู่รอบรอบปางพักจริงในระยะที่ห่างออกไปในรัศมีประมาณเพียง40บาเท่านั้นแล้วถอยข้ามลาธารไปยังอีกฝากหนึ่ง มีรอยรับเขาไว้กับโคนต้นตะเคียนใหญ่เนื้อฝั่งธานเหมือนจะเตรียมอาวุธพร้อมไว้สำหรับที่จะบดขยี้มนุษย์อันเป็นศัตรูของมันพรานใหญ่มั่นใจว่ามันจะต้องซุ่มตัวอยู่ในระแวกไม่เกินสองกิโลเมตรนี่เองสำหรับเจตนาเตรียมแผนพิฆาตของมันอาจหลบเข้าหุบหรือไม่ก็ขึ้นเขาไปแล้วก็ได้ครับผู้กองนั่นเป็นความเห็นของแง่ทรา ย, ายซึ่งก็มีเหตุผลไม่น้อยเหมือนกัน เพราะในเวลากลางวานันโดยเฉพาะตอนหัวรุ่งเช่น น, นี้โดยเฉพาะตอนหัวรุ่งเช่นนี้นิสัยของควายป่ามักจะเข้าไปซ่อนกายอยู่ในดงทึบผมว่ามันน่าจะเพ่นไปไกลลิบทีเดียวตอนที่เชิดายิงเสือตัวนั้นตอนใกล้ลุ่งการที่เสือเข้ามาใกล้ที่พักของเราก็แปลอยู่ชัด ว, ว่าไอ้ควายตัวนั้นจะต้องไม่อยู่ในละแวกใกล้เคียงส่วนอีกอย่างหนึ่งตอนที่เสียงปืนดังขึ้น เท่ากับไปเตือนให้มันออกห่างไปอีกแทนที่จะคิดอยู่ใกล้ชายยันข่าคเน่ตามเหตุผลของเขาบ้างแล้วินอย่างไม่ออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นบอกให้ทุกคนรอเขาที่ริมฝั่งทานก่อนตนเองลุยข้ามตามรอยที่เห็นอยู่ระหายรับเข้าไปในดงครูใหญ่ก็โผล่กลับมาทางปากด่านอีกด้านหนึ่งวีแววของมันเป็นยังไงบ้างเชฐาถามอย่างร้อนใจบ่ายหน้าไปทางป่าน้า ที่เข้าไปหลบอยู่เมื่อเย็นวานนี้ครับถ่ายไม่ถูกว่าจะเข้าไปซุ่มอยู่ในนั้นอีกหรือจะเลยไปไหนผมตามรอยมันไปไม่ไกลนักเอาละ่ะไม่ว่ามันจะวางแผนเล่นกลอย่างไรกับเราสําหรับวันนี้ถึงไหนก็ถึงกันหัวหน้าคณะตัดสินใจเด็ดขาดทั้งหมดมีเวลาพักเตรียมตัวที่ทานน้านั้นในระยะเวลาสั้นๆต่างวักน้ําขึ้นรูปศีรษะและใบหน้าพอให้ความแช่มชื้นและกรอกน้ําใส่กติกจนเต็ม ระหว่างที่พรานใหญ่ซุดตัวลงนอนพังภาพอยู่ที่หินราบเรียบก้อนหนึ่งจุ่มใบหน้าลงไปสายอยู่ในน้ำห่างจากคณะนายจ้างของเขาที่กำลังหารือกันเบาๆออกมาทางริมฝั่งด้านหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นสะบัดน้ำก็เห็นดารินมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าถืออะไรชนิดหนึ่งไว้ในมือแต่ไขว้หลังไม่ให้เขาเห็นจะหยุดพนตั้งหลักกันที่นี่นานสักเท่าไหร่หล่อนถามเรียบเรียบ รับวินตบที่ต้นคอแดงแรงแล้ววักน้ำเทกอกลงไปทางคอเสื้อด้านหลังจนแผ่นหลังเปียกชุ่มก็นานพอที่จะให้ทุกคนตั้งสติเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมแต่ไม่นานจนถึงขนาดที่จะให้ใครนอนเปรื้องผ้าผึ่งแดดได้ทำไมครับอยาอ่างอาบน้ำเสียก่อนสักมื้อหนึ่งกะมังเปล่าหล่อนกระชากหางเสียงห้วนที่ถามก็เพราะอยากจะแนะว่าในระยะเวลาสั้นๆที่เราพักกันอยู่นี่ คุณควรจะถางป่าใต้คางออกสิบ้างป่ารอบด้านมันรกน่ากลัวอยู่แล้วอย่าให้หน้าของคนนําทางเป็นป่าไปด้วยมันไม่จาเรินตาสำหรับนายจ้างรพินรูปที่ตอบแก้มอันเขียวครึ้มไปด้วยคราวดกเลิกคิ้วมองดูสวดสงองคออ่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าขอโทษที่จ้างมานี่นะ่จ้างมาเพื่อความจาเรินตาหรือว่าจ้างมาเพื่อให้นาทางกนจ้างมาให้นาทางนสิ แล้วหน้าผมจะเป็นป่ามันทําให้บริการตามสัญญาจ้างเสื่อมสมรรถภาพลงนั้นหรืออย่างน้อยมันก็ผิดวินัยของลูกจ้างที่ดีไม่มีนายจ้างที่ไหนหรอกที่อยากจะเห็นคนงานของตัวหนวดข่าวรุงรังราวกับโจรห้าร้อยมันไม่สุภาพเลยผมเป็นมักคุเทสนําเดินป่านะครับไม่ใช่นักมักคุเทสนําชมกรุงนั่นแหละยิ่งร้ายใหญ่เลยทีเดียวคณะเดินป่าชุดนี้มีผู้หญิงติดมาด้วยคนหนึ่ง เป็นคนขวัญอ่อนแล้วก็ตาฝาดง่ายๆระหว่างบุก ป, ป่าเข้าไปด้วยกันเกิดมองเห็นหน้าพรานนำทางกลายเป็นหน้าเสือหรือหน้าหมีไปอุปตวะเหตุจากการยิงเพราะเข้าใจผิดก็อาจเกิดขึ้นได้วิธีปลอดภัยที่สุดก็คือทำหน้าให้เกล้งเกลียงเหมือนมนุษย์ปุตุชนธรรมดาสังเกตเห็นจำได้ง่ายๆดีกว่าจอมพานหูเรา อ, อยู่ในลาคอผมไม่เคยพกมีดโกนในขณะออกป่าไม่เป็นไร ฉันแก้ปัญหาให้ได้อา้าวจัดการเสียพร้อมกับพูดหล่อนเอามือที่ควายหลังออกมาเดาะเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าที่ใช้ฐานแบตเตอรี่แล้วโยนมาให้แล้วพินรับไว้ผิวปากรือนี่คุณหญิงพกเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าติดตัวอยู่เสมอหรือบ้าของพี่ใหญ่呀ฉันขอยืมเข้ามาให้ทนนำทาลูกนตาอยู่ไม่ไหวว่าแล้วหล่อนก็ผ่าไปรวมกลุ่มอยู่กับเชิฐาและชายยัน แล้วผีหัวดร้อหื้อหอยู่เช่นเดิมจัดการโกนหนวดคาออกจนเลรียดยังกล่าวในระยะเวลาอันรวดเร็วพางก็บ่นอยู่ในใจว่าหม่อมราชวงศ์สาวคู่อริคนนี้สร้างเรื่องยุ่งปวดหัวให้เขาอยู่ตลอดเวลาไหนจะพาระรับผิดชอบอันหนักอึ้งไหนจะเรื่องจุกจิกกวนใจสารพัดคิดไว้แต่แรกไม่ผิดเลยดูเอาเถอะแม้แต่เสรีภาพในด้านส่วนตัวหล่อนก็ยังเข้ามาบังคับควบคุม หนวดเขาของเขาต่อให้มันรกรุงรังแค่ไหนดูเป็นโจรห้าร้อยอย่างไรที่หลอนว่ามันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหล่อนสักนิดซ้ำอย่างเข้าใจขู่ว่าหล่อนอาจเผลอยิงเอาเขา้าเอาเขาเขา้าเพราะเข้าใจผิดมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาทนเสี่ยงกับคำขู่แบบแผงแผลงของผู้หญิงร้านร้านชอบเอาชนะอย่างหลอนใครจะรู้ได้ขืนดื้อไม่ยอมโกนห ล, ลอนอาจแก้งยิงเอาจริงก็ได้ ไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งแม้จะเป็นการแกล้งยิงแบบคู่เพื่อให้คำสั่งของตนสำลิดผลเขาก็ไม่ต้องการจะทดลองไม่กี่นาทีหลังจากนั้นภายใต้การนำของรพินทั้งหมดก็รุยข้ามลำธารแคบๆตามรอยม่หิงสาตัวนั้นไปซึ่งทิศทางก็คือหนทางที่คณะทั้งหมดเดินผ่านมาแล้วเมื่อเย็นวานนั่นเองอากาศในเวลาเช้ากาลังสดชื่นเย็นสบายสะดวกแก่การเดินอย่างยิ่ง รอยของมันแสดงว่าเดินอย่างสบายไปตามทางด่านไม่ได้บุกแวบวกเข้าฟงและจริงตามที่ระพินบอกไว้มันเดินขึ้นเนินเรียบไปทางไหลเขาเตี้ยและวกลงสู่ด้านตะวันตกของลูกเขาบ่ายหน้าย้อนกลับไปทางป่าน้ำอันแน่นทึบซึ่งเป็นชัยภูมิที่มันหลบเข้าคุมเชิงอยู่เมื่อพบ่ําของเมื่เย็นวานรอยซึ่งใหม่สดๆร้อนๆฟ้องอยู่ชัดจนดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะเดินร่วงหน้าคณะติดตามไปไม่ กี่อิจใจนี่เองหินเล็กๆบางก้อนที่มันเหยียบพลิกไว้ยังปรากฏ ร, รอยดินที่ชื้นและกิ่งไม้บางกิ่งที่ถูกกระทบหักอย่างยังออกซึมๆก่อนจะลงจากเนินไหลเขาระพินเกิดและแง่ทรา ย, ายช่วยกันตรวจทิศทางลมส่วนเชี่าปีนขึ้นไปบนโขดหินลูกหนึ่งใช้กล้องสองทางไกลส่องสำรวจลงไปอย่างระมะสหับไปกับทุ่งแฝกเบื้องล่างติดต่อกับปาน้า ดาลินกับชายยานก้มลงสำรวจพิจารารอยตีนของมันที่เหยียบดินอ่อนไว้บริเวณหนึ่งเพื่อให้ชัดตาขึ้นใจโดยไม่สับสนหากจะพบเห็นอีกในเวลาข้างหน้าทางลมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้มันพัดจากเชิงเขาลงไปสู่ทุ่งรามเบื้องรา่างแดดในเวลาสามโมงเช้าเริ่มจะกล้าขึ้นเช่ยาผู้สำรวจภูมิประเทศด้วยกล้องก็กระโดดกลับลงมา ผมเชื่อว่ามันหลบเข้าไปในดงน้ำนั่นแน่ๆโดยอาจคิดเป็นสถานที่ปลอดภัยและได้เปรียบที่สุดของมันชนิดที่พวกเราไม่กล้าตามเข้าไปป่าน้ำทั้งนั้นทั้งหมดนั่นอาณาเขตสักเท่าไหร่ประมาณไม่น้อยกว่าห้าตารางกิโลเมตรครับสุดด้านหลังประชิดกับเชิงเขาชันที่เห็นผาหินขาวโล่งริบๆอยู่นั่น้ายมือออกทุ่งแฝกติดต่อกับป่าแดงลักษณะเป็นทุ่งโล่งโดยตลอด แต่ขวามือนำลงสู่ฐานน้ำสายเดียวกับที่เราข้ามมาเมื่อเช้านี้ในตอนเหนือขึ้นไปจากนั้นก็เข้าหุบขึ้นเขาใหญ่รูปโน้นเราอยู่เหนือลมมันในขณะนี้ไม่ใช่หรือชยันเอ่ยเบาๆ ป, ป, ป้องตาดูดวงตะวันแล้วสังเกตไปตามยอดไม้ครับนี่เป็นเรื่องหนักใจเราต้องอ้อมไหลเขาลงไปทางด้านใต้ตัดข้าวระมะ่ทางด้านซ้ายน่นแล้ววกขึ้นมาอีกทีหนึ่งระยะทางไกลออกไปหน่อยแต่ก็ไม่มีทางเลือก ตกลงกำหนดแผนแบ่งกำลังซ้อมความเข้าใจการเสียดุนี้เละปัดเดียวยุ่งยากในเวลากระทนหันเชี่ถารอบคอบตื่นขึ้นพลานใหญ่ซุดตัวลงนั่งคุกข่าวกับพื้นใช้กิ่งไม้สเก็ตข้าวๆเป็นแผนที่ลงกับพื้นดินทุกคนมุงร้อมมีอยู่สามทางสำหรับมันในขณะนี้คือหนึ่งหลบซุ่มอยู่ในปาน้ำสองออกทางทุ่งแฝดด้านซ้ายมืออันเป็นทางใต้ลม และสามข้ามฐานขึ้นหุบทางด้านขวามือทางด้านเหนือลมแต่ผมอยากจะเชื่อว่าถ้ามันจะออกจากป่าหนานี่มันควรจะออกทางด้านตามลมมากกว่าคือทางซ้ายมือออกทุ่งแฝกเมื่อมันถึงบริเวณป่าหนามหกคนของเราจะแบ่งออกเป็นสองพวกสามคนบุกเข้าไปทางด้านซ้ายอีกสามคนแยกเข้าไปทางด้านหน้าปล่อยทางด้านขวาอันเป็นทางขึ้นหุบทิ้งไว้ ผมแยซายชัยยันพวกหนึ่งคุณน้อยกับเกิดอีกพวกหนึ่งหัวหน้าคณะเดินทางกําหนดให้พ่านใหญ่พงโขหัวรงรับอย่างง่ายๆทุกครั้งของการกําหนดแบ่งพวกเชษฐาจะต้องส่งน้องสาวคนสวยอันเป็นพระหนักที่สุดในคณะให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเสมอไปนั่นแปลว่าเชษฐามองไม่เห็นใครจะทําหน้าที่นี้ได้ดีไปกว่าเขาแม้กระทั่งตัวเอง ในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายซึ่งทุกคนเข้าใจดีเชษฐาเลือกเอาทางด้านซ้ายมืออันเป็นทางทุ่งแฝกเพราะฉะนั้นทางด้านหน้าซึ่งเป็นของรพินพรานใหญ่หันไปทางแง่ทรา ย, ายผู้จะทำหน้าที่เป็นมั ก, กุเทสสำหรับฝ่ายเชษฐาจะพบมันหรือไม่ก็ตามให้ออกมาสมทบกับชั้นทางทานน้ำด้านขวาใครออกมาถึงก่อนเป็นฝ่ายรอคอยเข้าใจไหมดุมกะเรียงพเนจรพยักหน้ารับคา เมื่อนัดแนะเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วรพินก็นําตายขึ้นเขาเตี้ยๆโดยจากทางด่านที่เดินมาแต่เดิมอาศัยทางอุปยศของสัตว์อ้อมลงมาทางชายทุ่งด้านใต้อันเป็นทางใต้ลมหนทางเต็มไปด้วยความลกทึบสูงชันลําบากต่อการเดินอย่างยิ่งกินเวลาถึงชั่วโมงเต็มกว่าจะมาถึงเป้าหมายที่ต้องการทุกคนเหงือออกท่วมกายเป็นดิ้วรอยไปด้วยน้ำและกิ่งไม้ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาริน แต่หล่อนไม่ได้ปรีดป่าคําใดเลยพี่ชายได้ชายยันขอให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอในขณะที่ปีนขึ้นหรือตายลงหนทางชันตําไลเขาครั้งหนึ่งในขณะที่ตายลงมาตามหนทางราด ช, ชันด้านขวาเป็นโปรเคลึกกิ่งเถาวันแห้งกิ่งหนึ่งที่หล่อนใช้เหนียวโหนพยุงกายขาดหักออกร่างของหญิงสาวเสียหักพลิกกิ้งลงไปอย่างหวาดเสียวโชคดีที่รปินกับแงซา ย, ายตายล่วงหน้าลงไปก่อนแล้ว ทั้งสองหันขวับมาเพราะได้ยินเสียงเอะอะของเชื้ากับชัยยันผู้เห็นเหตุการณ์เพราะอยู่เบื้องหลังพลานใหญ่คว้าตัวดารินไว้ได้อย่างหวุดหวิดแต่น้ำหนักตัวประกอบกับความแรงที่หลนกลิ้งลงมาและหุ่นถางที่เทราชเช่นนั้นพอพะทะหล่อนไว้ได้เขาก็เสียหลักถลายเลื่นเซฆมำหน้าลงไปพร้อมกับหล่อนอีกครั้งพอดีติดแงทรา ย, ายผู้ยืนเอาหลังยันต้นไม้ใหญ่คอยท่าอยู่ตะครุกไว้ได้ทั้งสองคนเลยพากันเสียหลักล้มลงหมด ทั้งสามคนแต่ติดอยู่ที่โคนไม้นั่นเองจวนจีนจะหลุดคอเพลงลงไปทุกคนจะหายจากความในอุปตวเหตุนั้นแม้แต่ระพินเองแต่เจ้าตัวคนประสบอุปตวเหตุกับหวเราะออกมาอย่างสนุกสนานภายหลังจากที่แง่ท า, ายเหนียวแขนร่อนประยุงให้ยืนขึ้นเราไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากไปกว่าตรอกบอกเปิกบ้างเล็กน้อยหันไปกล่าวขอบใจพรานใหญ่กับแง่ า, ายราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เชษฐถาชัยยันได้เกิดพากันตายตามลงมาโดยเร็วเมื่อมาถึงเห็นดารินและพินกับแง่ทรายเป็นปกติเรียบร้อยดีต่างก็ถอนใจออกมาโล่งอกระวังหน่อยน้อยพี่ชายจ้องดูหน้าน้องสาวด้วยดวงความเป็นห่วงและหนักใจยิ่งเหนื่อยมากกระมังหล่อนหัวรอดเสียงใสป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงือ่อที่เกาะพราวอยู่บนใบหน้าปราจากแววตื่นเต้นตกใจอะไรกับอุปตวเหตุเมื่อครู่ เปล่าหรอกค่ะไม่ทันดูให้ถนัดเสียก่อนไปจับเอากิ่งเถาวันผุเข้ามันขาดก็เลยเสียหลักพี่ใหญ่โปรดอย่ากังวลไปเลยเรื่องเล็กน้อยเหือเกินเสียงพี่ชายกับชายยันบ่นพึมอย่างไม่ไวายอกสั่นขวัญแขวในเหตุการณ์เมื่ออึดใจที่แล้วมารับพินสีหน้าเฉยเฉยรอบช้ำเลืองไปทางหม่อมราชวงหญิงคนสวยนักผจญภัยเยี่ยมยอดสติและกาลังใจความกล้าหาญของหลอนผิดธรรมชาติของผู้หญิงสามัญเอาจริง อนาคตข้างหน้าเห็นจะไม่ต้องกังวลมากนะักเขาคิดด้วยความปลอดโปร่งใจขึ้นหยุดพักพอลมหายใจทั่วท้องดีแล้วต่างก็รุดหน้าต่อไปอย่างบุกบั่นทรหดจนกระทั่งมาถึงชายดงด้านใต้ตัดป่าหญ้าคาและละเมะเตี้ยๆอีกสองแห่งก็มองเห็นป่าน้ำอันแน่นทึบอยู่เบื้องหน้าตำแหน่งใต้ดมตามที่พรานใหญ่ต้องการและวิีนเดินเราะตรวจรอยอย่างระมัดระวังอยู่ใหญ่ อย่างทิศทางลมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็หันมาโบกมือเรียกทุกคนเข้าไปร่วมสมทบเพื่อบอกแผนขั้นสุดท้ายต่างปลดเครื่องหลังที่บรรจุของใช้จำเป็นออกวางกองรวมกันไว้ใต้ซุ้มไผ่เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วสะดวกที่สุดโดยไม่กีกักเป็นภาระคงมีแต่ปืนคู่มือและกระสุนสำรองเท่านั้นก่อนที่แง่า ย, ายจะนาเชืาและชา ย, ยาแยกไปยังทิศทางที่ตกลงกันไวหัวหน้าคณะเดินทางส่งมือให้เขาจับ ระพิงยิ้มกระซิบขอให้โชคดีนะครับคุณชายฝากน้อยด้วยไม่ต้องห่วงหรอกครับฝ่ายของเชษดาตัดดานเล็กๆ ร, รับผู้ไม้ไปพรานใหญ่หันมาทางหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเห็นหล่อนเทน้ำในกะติกกรอกใส่ปากดื่มเสียเต็มอิ่มราวกับจะเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าแกะหมากฝรัง่งออกมาใส่ปากเคี้ยวพลางเลิกคิ้วส่งมาให้เขา จอมพานโครงศีรษะช้าช้ากึ่งอ่อนใจกึ่งขันขันไม่กล่าวคำใดทั้งสิ้นโบกมือเป็นสัญญาณแล้วนำออกเดินเลาะลัดทางดานอีกด้านหนึ่งอ้อมไปทางตะวันออกของบริเวณป่าน้ำอันรกชัดกรอบแดงเห็นเป็นดงอยู่เบื้องหน้าหล่อนเดินตามหลังเขาปิดท้ายด้วยเกิดตะวันใกล้เที่ยงแผ่แสงอารุไปทั่วบริเวณทุ่งราบกลางรูดแรงเปลวแดดที่ระเหยขึ้นสู่อากาศ แลดูระดิปยับราวกับมองผ่านเตาไฟมหายักษ์ยิ่งใกล้ดงน้ำเข้าไปก็ยิ่งปราดจากที่กำบังเพราะต้นไม้สลัดใบร่วงโกนเห็นแต่กิ่งก้านว่างเปล่าเหมือนโครงกระดูกกลางทะเลทรายไม่มีวิแววของสัตว์ใดทั้งสิน้นแม้แต่นกเล็กๆสักตัวทันใดนั้นเองระหว่างที่เดินกันมาในลักษณะเข้าแถวเรียงหนึ่งแล้วิวผู้สาวเท้ายาวๆแต่เบากลิบอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกึกลงอย่างกะทันหัน ดาลินก้มหน้าก้มตาเดินวัดรอยเท้าเขาไปทุกระยะเพราะความร้อนอ้าวของอากาศรอบด้านไม่ทันระวังตนสวงอกอันพุ่งตะงานของร่อนจึงกระทะเข้ากับแผ่นหลังของเขาเต็มรักหญิงสาวร้องอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งเหวี่ยงกําปั้นลงไปกลางหลังของเขาเต็มแรงอย่างมโหพรานใหญ่คว้าก้ามือของร่อนโดยไม่เหลียวหางกลับบีบไว้แน่นเป็นสัญญาณเตือนให้ร่อนเงียบสายตาคงเพ่งไปทางดงภายน้ําอันแห้งแดงเบื้องหน้าไม่กระพริบ หลอนหันไปมองตามแล้วก็ยืนตัวแข็งเหมือนถูกสาไปในคลิปตานั้นประจันต่งงานเงื้ออยู่เบื้องหน้าระยะห่างเพียงไม่เกิน2ี่สิบวาโดยมีกอหนามพุงดอเตี้ยเตี้ยกั้นกลางล่างทมึนทืนของอะไรช่นนิดหนึ่งยืนแหงหน้าเบิงอยู่ที่นั่นหนังหนาเป็นเกร็ดราวกับเอาเกาะนักรบโบราณมาปะไว้เป็นแถ บ, แถบหัวเดียวเล็กไม่ได้ขนาดกับราตัวหูยาวรี เขาแทนที่จะงอกออกมาจากมุมของศรีรษะทั้งสองด้านกลับโผล่แหลมตั้งงวงอยู่บนจมูกเขาหน้ายาวใหญ่เขาหลังที่ขึ้นเรียงซ้อนกันสั้นกว่าเล็กน้อยมันคือแรดสองนอหรือกระสู้ตัวขนาดลูกช้างรุ่นระยะที่เผชิญหน้ากันจู่โจมกระทันหันที่สุดแทบจะเรียกได้ว่าเผาขนต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวมาก่อนเกิดยืนนิ่งอยู่กับที่ พรู้สัญชาตญาณของเจ้าสัตว์ดึกดำบรรดุร้ายชนิดนั้นดีตามวิสัยของพรานป่าส่วนนักเผชิญภัยสาวสวยหัวรั้นภายหลังจะกลับตาและลืมขึ้นจ้องอีกครั้งก็บอกตนเองว่าตาหล่อนไม่ได้ฝ่าตายเพราะไอแดดอย่างเช่นที่เข้าใจแต่แรกพอสติคืนสู่ตัวจุดสี่ดูับเบิลไรเฟิลในมือก็ยกขึ้นหล่อนขยับตัวได้เพียงนิดเดียวก็ถูกสกัดไว้อีกด้วยอุ้งมือแข็งกร้าวปานคิมเหล็กของจอมพราน นิ่งเขาก็ซิบรอดไรฟันออกมาเบาที่สุดแต่ก็เฉียบขาดที่สุดดารินสะกดกั้นลมหายใจยืนตัวแข็งอยู่เช่นเดิมแต่ระจังหวะการเต้นของหัวใจรอนเหมือนถูกกดจมอยู่ในนรกสันดาบไม่มีโอกาสนึกคิดหรือทำนายอนาคตได้ทั้งสิน้นและพินหนีผ่านท้ายได้เฟิ่นไว้ในเศร้แข็ลักษณะเดิมปากกระบอกชี้45องศาลงดินเพียงแต่นิ้วเท่านั้นที่สอดเข้าไปแตะอยู่ที่ไกล เขายืนประจันสวนหน้ากับมันนิ่งๆในระยะอันใกล้ชิดนั้นโดยไม่เคลื่อนไหวราวกับจะเป็นเพียงเสาต้นหนึ่งอึดใจใหญ่ต่อมาซึ่งดาลินรู้สึกว่านานสักหมื่นปีก็ไม่บานเจ้าสัตว์ดึกดำบันที่คาดกันว่าสูญพันธ์ไปหมดสิ้นแล้วสำหรับป่าเมืองไทยหายใจแรงๆออกมาครั้งหนึ่งเริ่มหันรีหันขวาเงยจมูกขึ้นพยายามส่ายหากลิ่นส่วนลูกตาเล็กๆของมันทั้งสองข้าง ก็มองดูคล้ายจะเจ้ามาที่มนุษย์ทั้งสามอย่างตัดสินใจไม่ถูกอยู่เช่นนั้นลมพัดจากมันมาทางฝ่ายมนุษย์วูปหนึ่งกลิ่นโคลนอับๆโชยคลุ้งมาถ้ามันพวดเข้ามาก็หมายถึงพลิบตาเดียวเท่านั้นย่อมถึงตัวแต่แล้วอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ใจที่สุดในความรู้สึกของดารินแรดตัวนั้นออกวิ่งหยะๆเลี่ยงไปทางดงน้ำซ้ายมือหยุดเงยจมูกสูดกลิ่นมีอาการภาวะวังเหลียวซ้ายแลขวา แล้วก็ควบโชยห่างออกไปจนกระทั่งรับพงทึบเสียงเกิดถอนหายใจออกมาดังสนัน่นไม่ใช่เสียงถอนใจเพราะพ้นจากภาวะวิกฤตที่สุดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เป็นการถอนใจเพราะความเสียดายอย่างสุดซึง้งทว่าสําหรับหญิงสาวยังคงเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นจ้องหน้ารถพินด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวทําไมคุณไม่ยิง แล้วทำไมมันถึงไม่วิ่งเข้าใส่เราทั้งที่ประจันหน้ากันเผาขนขนาดนี้หล่อนคลางออกมาที่ผมไม่ยิงก็เพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่เราต้องการและที่มันไม่วิ่งเข้าใส่เราก็เพราะมันมองไม่เห็นเราชัดยังไม่แน่ใจและเป็นสัตว์ที่สายตาเร็วที่สุดมันเชื่อจมูกของมันยิ่งกว่าสายตาถ้าเราอยู่ใต้ลมเพียงแต่ยืนนิ่งๆเท่านั้นมันก็มองไม่เห็นแล้วไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันสักค แ, แค่ไหน นายทิ้งราบก้อนใหญ่ของเราไปเสียแล้วหลายหลายปีจะได้พบสักทีเสียงเกิดบ่นออกมาอย่างเสียดายถ้ายิงไอ้สองหนอนเมื่อตะกี้ก็แปลว่าเราช่วดไอ้เขาเกะคู่อาฆาตของเรางานสำคัญของเราอยู่ที่การล้มควายป่าตัวนั้นไม่ใช่มัวแต่จะมาคิดหาราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้แล้วเขาก็หันมาทางหม่อมราชวงศ์งหญิงคนสวยพูดขึึ ม, ข, มขออภัยที่หยุดอย่างกระทนหันเมื่อตะกี้ มันฉุกเฉินจวนตัวเหลือเกินจะบอกก็ไม่ทันหล่อนรอบค้อนขวับหน้าแดงด้วยแสงแดดและความตื่นเต้นอยู่ก่อนแล้วยิ่งมีสีจัดขึ้นอีกบนอุบอิบอยู่ในรำคอฟังไม่ได้สับควักพชีนาออกมาเช็ดเหงือ่อแล้วถามกบเกือนว่าคุณเห็นมันตอนไหนก่อนหน้าคุณหญิงเดินมาชนผมพริบตาเดียวเท่านั้นกาลังเดินเพลินอยู่เหมือนกันอยู่ๆมันก็ลุกขึ้นพูดพลาจากกอหนามปงดอนั่น สงสัยจะนอนอยู่ก่อนแล้วแล้วคงได้ยินเสียงผิดปกติเลยลุกขึ้นโชคดีเหลือเกินที่เราเดินมาทางใต้ลมมันไม่งั้นเป็นได้แหลกไปบ้างแล้วแรดเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุผลถ้ามันได้กลิ่นในระยะห่างก็หนีแต่ถ้าใกล้จวนตัวก็พุ่งเข้าใส่ทันทีดีไม่เดินไปชนมันเข้าครั้นแล้วพรานใหญ่ออกนําเงียบๆต่อไปตามเดิมโดยไม่กล่าวเช่นไรอีกมาหยุดใคร่ครวนอยู่ที่ริมป่าน้ําอีกอึดใจใหญ่ จึงวกลงสู่ํำห้วยเล็กๆอันแห้งผ่าที่ทอดโอบขอบดงคดเคี้ยวไปมาตรวจสอบทางลมอยู่ทุกระยะการเดินของเขาแผ่วฝีเท้าช้าลงเป็นลำดับในที่สุดก็กลายเป็นย่องกลิบแสงตะวันยามเที่ยงสาด ร, รอดกิ่งใบของเถาวันอันกรอบเกรียมลงเป็นจุดสว่างเรืองรองอยู่ทั่วไปอากาศระอุจนเสื้อเปียกชุ่มราวกับอาบน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับดาลินเสื้อราสั์ผ้าชนิดเบาบางของรอน ลักลงแนบเนื้อทำให้เห็นส่วนสัตว์ได้ถนัดจนเจ้า ต, ตัวต้องดึงบ่อยๆเสียงนกกระางร้องรับกันอยู่เป็นระยะลมสงัดลงอย่างน่าอัศจรรย์แม้ใบไม้แห้งเล็กๆก็แทบไม่กระดิกพอตายขึ้นจากําห้วยซึ่งเข้ามาอยู่ใจกลางของป่าน้ำอันเต็มไปด้วยด่านเล็กๆอุดมไปด้วยฝุ่นและใบไม้แห้งเกิดก็เริ่มใช้หูฟังแนบกับพื้นส่วนรถพินเคลื่อนไปในลักษณะด่อมบางขณะ ก็ซุดตัวลงนั่งพิจารณาไปรอบด้านดารินไม่มีโอกาสที่จะปปิดปากเอ่ยถามข้อสงสัยใดๆจากเขาอีกเลยนอกจากคอยสังเกตดูอาการและปฏิบัติตามไปทุกระยะหล่อนเต็มไปด้วยความอึดอัดใจเพราะไม่รู้ความหมายถึงการเคลื่อนไหวไปแต่ละก้าวของละพินกับเกิดนอกจากอาศัยดาวอาว่ามันกำลังเป็นระยะเข้าได้เข้าเข็เขมที่สุดทั้งๆ ท, ที่ตั้งแต่เข้ามาในเขตดงน้าอันก้างใหญ่หนาทึบแ่งนี้ หล่อนสังเกตไม่เห็นร่องรอยของเจ้ามหิงสาตัวนั้นเลยจนนิดเดียวอีกครึ่งชั่วโมงผ่านไปมันเต็มไปด้วยความทรมานอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่เคยมาก่อนอย่างหล่อนอากาศก็แสนจะร้อนป่ารกเต็มไปด้วยน้ําจะกระดิกตัวคืบหน้าไปได้แต่ละคืบแสนที่จะยากเย็นหล่อนเพิ่งจะมาประจักษ์แน่ชัดอวบัตินี้เองว่านักล่าสัตว์ที่ดีต้องเต็มไปด้วยความใจเย็นและต่อสู้กับอดกลั้นยังเหลือขนาด หล่อนลากไล่เฟื่อคืบตามหลังเขาไปอย่างทระเหยเวะยาห่างหนึ่งช่วงแขนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าหากเจ้าควายมหาการตัวนั้นจู่โจมพรวดพาดออกมาภายในบริเวณอันแคบจำกัดที่ต้องค่อยๆเลื้อยคืบหน้าไปราวกับตัวตุ่นนี้หล่อนจะกลับตัวทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ลึกเข้าไปและลึกเข้าไปเป็นลาดับภาวะเช่นนี้ดาดินไม่สามารถจะบอกได้ว่าหล่อนกาลังอยู่ที่ไหน และขณะนี้ฝ่ายของเชตฐาะกำลังอยู่ที่ไหนนอกจากว่าจะคอยติดหลังตาพรานใหญ่ไปทุกระยะสุดแต่เขาจะคารหรือคืบไปทางใดไม่มีการพูดไม่มีการให้คำอธิบายกันเอาแต่ด่อมๆอมคานค า, านอย่างเดียวประเดี๋ยวแยกไปทางซ้ายประเดี๋ยววกกลับมาทางขวามันเป็นความอึดอัดใจหรือประมาณแทบว่าจะหมดสิ้นความอดกลั้นนานๆครั้งเท่านั้นที่เขาจะหันกลับมามองดูรอนแล้วก็ยิ้มให้นิดนิด หล่อนยากจะดูว่านั่นเป็นการยิ้มเยาะสะใจที่พาอรอนมาทรมานทรกรรมอย่างนี้ได้แล้วก็ฮึดมานะมองตอบอย่างไม่ยี่หระคล้ายจะบอกว่าเมื่อนายไหวฉันก็ไหวเหมือนกันไม่ว่าจะคาลานหรือเลื้อยไปลงนรกกันที่ไหนครั้งหนึ่งขณะที่มุดรอดซุ้มผ่าใหญ่เสียงลูกปืนสำรองที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของหญิงสาวกลิ่งกระทบกันจนเกิดเสียงขึ้นแลพีนหันขวับมาโดยเร็วจ้องหน้ารอนแต่ดารินไม่เข้าใจความหมาย มองตอบทำหน้าตื่นตื่นถามพลานใหญ่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้เข้าไปใกล้จนมาหมอบอยู่ชิดกันที่โคนสแกร์ต้นหนึ่งลูกปืนเขาจอ่อริมฝีปากชิดช่องหูของรอนอย่าให้มันกริ่งกระทบกันเกิดเสียงขึ้นหล่อนตีใบาถามมาเป็นเชิงว่าแล้วจะให้ทำยังไงแล้วพีนหลับตาลงสั่นหัวเดิกๆอย่างอ่อนอกอ่อนใจแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบยางรัดของเส้นหนึ่งส่งไปให้รอน หญิงสาวยังงงไม่เข้าใจความหมายว่าเขาส่งยางเส้นเล็กๆให้หล่อนทําไมพรานยายจึงทํามือบุบ้ยใบให้หล่อนจัดการมัดลูกกระสุนสำรองเหล่านั้นไว้ด้วยกันป้องกันไม่ให้กริ้งกระทบเกิดเสียงขึ้นในขณะเคลื่อนไหวดาลินยิ้มออกมาจืดเพิ่อจะรู้เรื่องปฏิบัติตามคําสั่งโดยดีขอให้หล่อนกําไว้ในฝ่ามือสําหรับเตรียมพร้อมสองนัดโดยเหตุที่ปืนของหล่อนเป็นปืนแฝดสามารถบรรจุกระสุนเข้าลากล้องได้เพียงสองนัดเท่านั้น หล่อนขยับปากจะถามอะไรสักอย่างแต่จอมพรานแตะริมฝีปากไว้ออกคลานนำต่ออึดอัดขัดใจเข้าเต็มที่ดารินก็เลยจิ้มนิ้วลงไปกลางหลังเขาเต็มแรงรพินสะดุ้งหันมามองหล่อนทำหน้าตาเฉยเสียแกล้งยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณห้ามไม่ให้เขาพูดเช่นไรบ้างอีกฝ่ายหนึ่งจึงได้แต่กระพริบตาปริบๆเกิดพูดเลื้อยเล่ากับงูลอดเข้าไปตามพงน้าทึบด้านขวามือ ชูมือสูงขึ้นให้เห็นนละกวากเกลี้กงระพินกับดาลินคลานเข้าไปสมทบ พ, พลานพื้นเมืองผู้มีจมูกและสายตาพอๆกับสัตว์ป่าค่อยๆเอามือแหวกพุ่มไม้เบื้องหน้าออกแล้วบุ้ยปากลงไปยังพื้นเทราตเป็นแอ่งเรียบในระหว่างวงร้อมของพงน้ำวายไม่ห่างออกไปนักรอยตีนของเจ้าแมหิงสาย่ำเกลื่อนอยู่ที่นั่นมองเห็นชัดแม้กระทั่งรอยนอนของมันบริเวณนั้นดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งร่มเย็นที่สุดภายในรกน้ำแห่งนี้ พ่อเบื้องบนเป็นหลังคาของกิ่งไม้แห้งที่หล่นหักลงมาทับถมกันอยู่บนซุ้มไม้ใหญ่ประกอบไปด้วยเครือเถาที่แน่นทึบราวกับใครมาสารไว้รละปินกวาดสายตาไปรอบๆขณะนั้นลมสงัดทั้งป่าเงียบสงบจนแทบจะได้ยินเสียงของหัวใจเต้นมันเป็นความเงียบสงบอย่างน่าคิดเกิดอหูแน่พื้นอีกครั้งแล้วเงยจมูกขึ้นสายร่อนไปมาในอากาศผมได้กลิ่นมันนาย มันอยู่ไม่ห่างเรานี่เองพรานหนุ่มพื้นเมืองกระซิบดาลิงกระชัดจุด470ไว้ในมือแน่นปรดท้ามไก่แผ่วเบาระผิดเม้มปากประสาททุกส่วนเขมิงเกรียวเครียดถึงแม้เขาจะไม่ถึงกับได้กลิ่นของมันยังเกิดว่าก็ตามทีแต่สิ่งที่เห็นอยู่กับตาในขณะนี้มันก็บอกได้ชัดเหลือตัวเล็กๆฝูงหนึ่งยังคงบินตอมอยู่ตรงบริเวณแอ่งที่มันนอนฟองน้าลายที่ติดอยู่กับพื้นบางส่วนชนิดยังไม่ทันแห้ง พิสูจน์ได้ชัดว่ามันเพิ่งจะลุกขึ้นผละปายภายในอึจ ใ, ใจใหญ่ๆนี่เองแต่หน้าประหลาดใจในข้อที่ว่ามันเคลื่อนไหวไปอย่างไม่มีเสียงเลยจนนิดเดียวขณะที่เขาตามเข้ามาใกล้จนเกือบจะถึงตัวอยู่แล้วและการย้ายที่จากลักษณะที่กำลังนอนพักอยู่ของมันนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายโดยบังเอิญหรือว่ามันได้กลิ่นมนุษย์คู่อาฆาตของมันกันแน่ ชเมืองมาทางนายจ้างสาวสวยผู้คอยติดหลังแจอยู่ราวกับเด็กเล็กๆที่ติดพี่เลี้ยงแล้วพินเริ่มหนักใจจนบอกไม่ถูกภูมิประเทศรอบด้านมันรกทึบจนไม่สามารถจะหมุนตัวได้ถนัดในภาวะเข้าได้เข้าเข็มเช่นนี้มันสร้างความกลิ่งเกรงกังวลให้แกเขาเหลือประมาณอึดใจใดก็ยังไม่สามารถจะทํานายได้ถูกที่จะควายผีตัวนั้นอัดพวดพลาจู่โจมเข้ามาจากรอบทิศและพยายาม และยามนั้นมันย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบมนุษย์ร้อยเปอร์เซนเจ้าตัวคนที่ถูกห่วงเองกลับไม่เห็นว่าจะมีอาการวันไหวสะตกสะท้านอะไรเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่เยอบเยิบคอยมองดูตาเขาอยู่เช่นนั้นความไม่ประสีภาษาต่อเหตุการณ์นั้นบางขณะก็ทำให้ผู้หญิงกล้าได้อย่างประหลาดเหมือนกันสิ่งที่ระพินกลัวไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการเผชิญหน้ากับเจ้าเขาเกกในขณะนี้ก็คือถ้าวินาทีฉุกเฉินที่สุดมาถึง และในระยะกระทันหันประชิดตัวเช่นนี้หม่อมราชวงหญิงคนสวยอาจทําปืนร่านถูกเขาหรือเกิดเข้าก็ได้มันไม่เหมาะนักที่จะให้หลอนเดินตามอยู่ทางด้านหลังของเขาจอมพรานโบกมือเป็นสัญญาณให้เกิดเดินเลี่ยงออกไปทางด้านซ้ายแล้วรั้งแขนดาลินให้ขึ้นมาอยู่เคียงข้างแทนที่จะให้หล่อนแก่งปากกระบอกปืนฉวัดเฉวียนอยู่แถวแถวบริเวณศีรษะหรือต้นคอของเขาไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรอผมหรือเกิด ถ้าเห็นตัวก็ยิงเลยอย่าตื่นเต้นปรีผามในเวลายิงระวังวิถีกระสุนไว้ด้วยอย่าให้ถูกกันเองหล่อนพยักหน้ารับโดยรอยตีนที่ปรากฏอยู่เด่นชัดนั้นทั้งสามออกตามไปอย่างระมัดระวังประสาตตาและหูตื่นพร้อมโดยเฉพาะดารินความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหายไปราวกับปลิกทิ้งเมื่อรู้แน่ว่าเป้าหมายการล่ารอคอยอยู่ในอนาคตกันใกล้ไม่มีใครพูดคาใดกันอีกเลย รอยนั้นดูเหมือนจะเดินโดยอาการปกติไปตามดางดานอย่างไม่เร่งร้อนอะไรนะักมันนำวนเวียนไประหว่างป่าหวายและหนามพุงดอที่ขึ้นอยู่สลับซับซ้อนเป็นระมาะซอกนั้นมองเห็นทิศทางรอบตัวได้ในระยะห่างไม่เกิน19เโดยไม่สามารถจะบอกได้ว่าการประจันน่าจะเกิดขึ้นยังตำแหน่งใดเวลาผ่านไปอีกยี่สิบกว่านาทีก็พบว่ารอยเหล่านั้นเป็นรอยดินบนแบบทางเขาวงกด เหมือนจะวางกลับดับเพราะมันนำย้อนกลับมาที่เก่าอันเป็นตำแหน่งนอนของมันที่ค้นพบในตอนแรกเกิดเก่าหัวสะบดพ ร, รมในขณะที่ระพินกัดริมฝีปากไอ้ควายผีนรกมันจะเอาอยัางไงกันแน่ล่อให้เดินวนเสียแล้วเสียงผ่านพื้นเมืองอู้อี้อยู่ในลำคอที่ดงไผ่ด้านเหนือตรงที่เราคิดว่าเป็นรอยเก่าของมันนั่นอาจเป็นทางแยกไปของมันก็ได้ระพินพูดอย่างใคร่ครวญ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 มาบรรจบกับเกิดที่ซุ้มไผ่ใหญ่แล้วก็ติดรอยซึ่งนำขึ้นสู่เนินสูงอันมีรอยตีนย่ำตะกุยขึ้นไปสองฟากทางเป็นป่าสะแกและเถากระโทกรกที่แห้งกรอบเกรียมสลับไปกับต้นไขน่เน่าทางนั้นราชันขึ้นทุกขณะพื้นดินแข็งเป็นหินปนกรวดจนแทบจะมองไม่เห็นรอยของมันนอกจากจะพิจนาให้ถีท้วนจริงๆ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 ในรําห้วยรอยตีนของมันไม่มีอะไรมาลบได้อีกแล้วในภาวะที่ไล่หลังกันอย่างกระชั้นชิดเช่นนี้เพราะกองใบหญ้าแห้งที่รับน้ำหนักตัวอันมากมายของมันปรากฏฟ้องให้เห็นชัดตะลิ่งห้วยบางแห่งก็ถูกลำตัวของมันเฉียดสีขณะที่เดินผ่านเป็นรอยถล่มสดสดร้อนๆ น, นี่เองปากห้วยอันราดต่ำลงทุกขณะนั้นนำออกทานน้ำของลูกเขาใหญ่อีกฝั่งหนึ่ง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 เจ้าควายเปี่ยวมหาการคงจะข้ามลำธารขึ้นดงฝั่งตรงข้ามไปแล้วแต่แล้วเมื่อมาถึงทั้งสามก็มองตากันงงงันไปอีกครั้งอย่างคณีอะไรไม่ถูกรอยตีนย่ำจากปากคู่ไตรงมาที่ธาน้ำแห่งนี้ก็จริงมันมาสิ้นสุดเอาตรงตำแหน่งชิดชายน้ำระหว่างกลุ่มโขดหินหมู่หนึ่งพอดีแต่มองไม่เห็นร่องรอยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะข้ามไปฝั่งตรงข้าม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 ระหว่างที่ร่างของพรานใหญ่ที่กระโจนหลบอย่างไม่คิดชีวิตไปกระทบเข้ากับแกงโคทินเกิดผู้ถูกแรงถีบส่งตัวให้พ้นไปจากปลายขาอันแหลมคมยังหุดวิดก็ตะ ก, กายตัวเองให้พ้นจากรัศมีการแหวงกลับสาสตร์ลำกล้องจุดสามเจ็ห้าแมกนัมเข้าใส่พร้อมกับร่างกายชนิดที่ปากกระบอกหากจากลำตัวอันใหญ่โตมโหฬาร น, นั้นเพียงคืบเดียวพร้อมกับเสียงปืนระเบิดตูมคนยิงก็ถูกรอยโค้งของเขาด้านนอกต ว, วัดกระทบสีข้าง ลอยขึ้นทั้งตัวกระเด็นไปร่มคว่ำขามำหงายอยู่กับพื้นสีห้าวาไราเฟิลกระเด็นไปอีกทางหนึ่งเมหิงสาบ้าเลือดยกตัวขึ้นโขกเท้าหน้าทั้งคู่กระทือพื้นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายงุดหัวลงต่ําแล้วก็พุ่งดิ่งเข้ามาหมายจะบดขยื่นให้แหลกละเอียดไปกับพื้นทรายมันเป็นจังหวะเดียวกับที่รปินจับปืนได้ถนัดเขาไม่ได้ยกขึ้นเลงเลย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 มัจจุราชเขางงผู้กำลังเตรียมจะใช้ขาวเสยร่างที่นอนราบอยู่กับพื้นของเขาบัดนี้ผงะศรีรษะเริดขึ้นราวกับถูกค้อนยักษ์กระห น, น่ำอย่างแรงครั้นแล้วพริบตาต่อมาเสียงตูมที่สองก็กำปนาดขึ้นอีกจนร้าวไปหมดทั้งแก้วหูเจ้าควายยักษ์งกหัวกลับอีกครั้งเอาจมูกทิ่มพื้นทรายขาหลังทั้งคู่ถีบลอยขึ้นจากพื้นแล้วร่างอันมโหรารก็ฟาดสนัน่นลงเกือบจะบททับร่างของรพิน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 ทั้งเกิดและคุณไม่มีโอกาสจะยิงมันได้ในขณะที่จุลมูลติดตัวอยู่นั้นแต่ฉันได้โอกาสนี้ว่าแต่ว่ามันไปยังไงมายังไงกันนี่เราเห็นรอยของมันมาสิ้นสุดเอาที่ทานน้ำนี่แล้วทำไมจู่ๆมันก็ตลบออกมาทางด้านหลังของพวกเราทุกคนลอยเดินย้อนกลับก็ไม่เห็นมีแล้วพินควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวแรกภายหลังจะตกอยู่ในภาวะเคร่งเครียดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน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 แล้วทำไมถึงเงียบกริบกันไปแบบนั้นเสียงปืนตั้งหกเจดนัดแล้วก็เงียบกันไปเฉยเฉยคำพูดของหญิงสาวทำให้เขาตัดสินใจในทันทีนั้นบรรจุลูกปืนเต็งจนเต็มซองอย่างรวดเร็วแล้วก็ชักลูกเลื่อนขึ้นลำหันมาทางเกิดออกคำสั่งโดยเร็วว่าเกิดแกกับนายหญิงรออยู่ที่นี่แหละฉันจะตามไปดูเองขาดเสียงก็ก้าวพรวดพรวดตัดพื้นทรายริมลาธารตรงไปยังปากคุยแล้วหายเข้าดงไปอย่างรวดเร็ว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 ส่วนกว้างที่สุดคือกลางลําตัวของมันขนาดที่ล้มตะแคงอยู่นั้นคนร่างใหญ่ขนาดเชษฐถาและแงซ า, ายสองคนยืนกันอยู่คนละด้านเชษถาทดลองโดยยื่นส่งมีดเดินป่าที่ยาวสอกเศษไปให้แงซายหนุ่มกระเรี่ยงพเนจรเอื้อมมือมารับสุดเอื้มยังไม่สามารถจะเอื้อมถึงปลายมีดที่เชษฐถายื่นส่งมาให้ได้ล้มไอควายยักษ์ตัวนี้ลงเธอก้าปัญญาเอกของนักราาตร์ไปได้แล้วน้อย ชายยันหันไปบอกกับดารินแพร่สาวคนสวยยิ้มเลียนเลียนสีหน้าของรอนไม่มีแววภาพภูมิใจใดๆทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยของความอกสั่นขวัญหายที่ยังเหลือค้างอยู่ในแววตาเห็นจะไม่ขอรับดีกรีอันนี้หรอกเห็นจะไม่ขอรับดีกรีนี้หรอกฉันเพิ่งจะเรียนรู้ชัดเดี๋ยวนี้เองว่าการประจัญหน้ากับสัตว์ใหญ่ดุร้ายขณะที่มันหมายจะเข้ามาเอาชีวิตเรานั้นมันเป็นอย่างไร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 เชถาออกวิ่งกระเจิดกระเจิงโดยไม่รู้ทิศทางอย่างไรบ้างจนกระทั่งถูกขีดเสรยรอยคว้างขึ้นทั้งตัวและพินกับเกิดก็รู้สึกขบขันตนเองเมื่อดารินผู้เห็นเหตุการณ์อย่างถนัดที่สุดเล่าให้ฟังว่าทั้งเขาและเกิดอยู่ในอาการโอนลมานเช่นไรตอนที่มหิ่งสาควบเข้าไล่ทุกคนตระหนักได้ดีว่าชีวิตที่รอดมาได้นั้น ตกเป็นหนี้บุญคุณของอนุภาพไรเฟิลขนาดหนักแท้เพราะขณะที่ยิงออกไปถึงแม้จะยังไม่ถูกที่สำคัญพอที่จะหยุดมันได้อย่างเฉียบขาดอำนาจแรงประทะอันมากมายก็ทำให้มันชะงักปัดเปะเสียการทรงตัวไปเปิดโอกาสให้ผู้เคราะร้ายที่กำลังจะถูกมันบดขยี้หลบเอาตัวรอดได้อย่างหวุดหวิดกรณีที่เห็นชัดที่สุดก็คืออานาจของจุดหนย์ในโตเอ็กซ์เพรสซึ่งชายยันกระนาเข้าใส่กระสู้หนังหนาตัวนั้น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 หันไปตบไหล่เพื่อนผู้บตดนี้มีปัสเตอร์ติดตามแขนขาและใบหน้าเต็มไปหมดทำให้มองดูแล้วเป็นที่ชวนขบขันยิ่งผู้ที่ไม่ได้รับอันตรายใดเลยแม้แต่รอยขีดกวนก็มีเพียงสองคนเท่านั้นคือดารินกับแงซายนอกนั้นก็มีรอยขัดย่อและถลอกปอกเปิดกันไปทุกคนชายยันมีบาดแผลปุก ป, ปะมากกว่าทุกคนมันเป็นเกมแห่งการเสี่ยงที่คณะนายจ้างทั้งหมดยอมรับว่าสาสมใจยิ่ง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 ซึ่งเกิดกับแงาสายกำลังเดินทางไปขนมาประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งสองก็หอบเอาสัมภาระติดตัวของทุกคนที่ถอดทิ้งไว้กลับมาถึงและร่วมวงสมทบกินเนื้อย่างอย่างอรอร่อยสำเร็จไปอีกหนึ่งละทีนี้ก็ถึงขราวไอ้แหว่งจอมนักเลงโตเสียทีช ย, ยันพูดแววตาของอดีตนายทหารปืนใหญ่สุขสายร่าเริงอยู่เหมือนเดิมมันสอถึงความบึกบืนทรหณแบบนักเผชิญภัยแท้จริง การเสี่ยงแบบท้ามฤตยูเป็นความสนุกสนานบันเทิงสําหรับเขาทั้งทั้งที่ทดูผาดผาดในครั้งแรกว่าเขาจะเป็นคนสํารวยและออกจะขาดขาดอยู่บ้างธาตแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวค น, ม, นมันมักจะมาสําแดงตนเด่นชัดในขณะที่ร่วมชีวิตกันอยู่กลางป่าเช่นนี้เองรบพินซ่อนยิม้มชำเลืองดูชายยันอย่างพอใจรู้สึกว่าคุณชัยยันจะเจ็บมากกว่าพวกเราทุกคนนะครับ แผ้เต็มตัวทีเดียวระยะวันสองวันนี้จะตามไม่แหวงไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาพูดเบาๆอย่างเป็นห่วงเจ้าตัวคนมีปพลัสเตอร์ติดเต็มหัวเราะลั่นฮอยเรื่องเล็กระพินผมเพียงจะถูกน้ำเกี่ยวเท่านั้นไม่มีอะไรสาหัสสากันนักหรอกให้น้อยฉีดยากันบาดทะยักกินยาแก้กเสบได้นอนเต็มอิ่มสักคืนเดียวถึงไหนก็ถึงกันผมเป็นห่วงเชืามากกว่า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 พร้อมกับสอบถามเขาว่ามีความรู้สึกเจ็บหรือไม่แช่ถาสันสีสะสีหน้าอยู่ในอาการปกติธรรมดาหล่อนออกคำสั่งให้เขารองสูดลมหายใจเข้าออกหนักๆและให้รองไอแรงๆพี่ชายปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีเจ็บบ้างไหมคะปกติธรรมดาแพทย์สาวถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเงยหน้าขึ้นพูดกับทุกคนคงไม่เป็นอะไรหรอก แต่จะรู้แน่ชัดก็ในราวพรุ่งนี้พี่ใหญ่ยังไม่ถึงกับหลังเดาะและตาเกิดยังไม่ถึงกับซี่โครงหักก็นับว่าเป็นบุญที่สุดแล้วหล่อนจัดการฉีดยาให้ชายยันและให้ยากินกับพี่ชายจากชุดเครื่องเวชภัณฑ์ขนาดจิ๋วที่ติดย่ามหลังมาด้วยทุกคนมีความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกได้ลูกหนึ่งเมื่อกาจัดเจ้ามหิงสาขาเกกซึ่งก่อกลัรังควานและทาหน้าที่เป็นกองระวังหลังสาหรับโขงไอแหวงลงได้สาเร็จ เช่ถามองดูนาฬิกาข้อมือแล้วแหงหน้าขึ้นเทียบกับดวงตะวันที่บ่ายคร้อยต่ำไปมากแล้วพลางหันมาขอความเห็นรละพินเสร็จศึกไอ้มหิงสารนี่ลงแล้วจะเอายังไงกันต่อไปล่ะขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเศษดวงตะวันกำลังแตะขอบลงกับเปลี่ยมผาทางด้านตะวันตกเสียงนกว่าร้องโหยหวนกังวานก้องมาจากป่าบน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 ก็ราวๆเกือบสว่างเข้าคืนนี้แปลว่าต้องเดินกลางคืนกันตลอดทั้งคืนโดยไม่หยุดการเดินกลางคืนมันไม่เหมาะนะเพราะต้องตัดขาวหลายลูปไม่ใช่เดินในป่าโปรง่งไม่ไหวหรอกเดินกันตลอดทั้งคืนแบบที่ว่านั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทุกคนก็กรัมกันหนักกันมาทั้งวันแล้วดารินเอ่ยขึ้นรอยรอยพรานใหญ่ไม่แสดงความเห็นเช่นไร เพียงแต่มองดูหน้าเชษฐากับชายยันเหมือนจะขอคำชี้ขาดตามฐานะของลูกจ้างที่ดีถ้าตามขบวนเกวียนของเราไม่ทานก่อนค่ำวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะออกเดินชายยันว่าสมมุติว่าเราหยุดพัก ท, ที่นี่คืนนี้เราจะตามทันเกวียนที่ไหนเมื่อไหร่เชษฐาถามพรุ่งนี้เย็นที่บริเวณป่าหวายครับแต่ต้องลัดทางกันหน้าดูทีเดียว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 ตอนกลางคืนช้างอาจยกโขลงลงมากินน้ำที่นี่ก็ได้นยายหญิงไม่สังเกตรอยหรือครับเป็นเทือกไปหมดเดินขึ้นไปอีกนิดตรงที่ผานใหญ่ว่าเป็นที่ที่สบายแนละปลอดภัยกว่าตะลิงสูงเป็นหน้าผากัน้นและมีเชวเวอร์เข้าไปคล้ายถ้ำกันน้ำค้างกันลมได้อย่างดีทานตอนนั้นก็กว้างน้ำลึกพื้นหาทรายโล่งเห็นอะไรได้ไกลๆดาดินขยับตัวยางอึดอัดเป่าลมลงไปในอกเสือ้อ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 เชื้อถากำลังค้นย่ามของขาเพื่อจะรื้อของจะเป็นออกมาหันไปเห็นเกิดเข้ามานั่งยองๆซุบซิบอะไรกับพรานใหญ่ก็ถามมาอะไรหรือผ่านพื้นเมืองหัวเราะแห่ๆระพินตอบว่าเกิดเสียดายกระสู้ตัวนั้นมากครับอยากจะขออนุญาตไปเอาหนอของมันบอกว่าจะเอาไปฝากเพื่อนกระเรียงที่หมู่บ้านหลมช้างราชนิกุลหนุ่มยิ้มอย่างอารมณ์ดีพยักหน้าไปสิอยากเอาไปก็ไปเอา แต่หวังว่าคงไม่โลภมากถึงกับแบกกระสู้ตัวนั้นมาทั้งตัวนะแล้วก็รีบกลับมาให้ถึงที่นี่ก่อนค้ามเอาแง่ายไปเป็นเพื่อนด้วยอย่าไปคนเดียวเกิดกระโดดรุกขึ้นอย่างยินดีหันไปพยักหน้ากับแงสายซึ่งดูเหมือนจะรู้กันอยู่ก่อนแล้วช่วยปืนไปจำมือคนละกระ บ, บอกตั้งท่าจะผ่าไปชา ย, ยันก็ร้องบอกมาว่าขากรรไอย่าลืมแวะไอ้ที่ทาราพีตัวนั้นเอาเนื้อมาเผื่อสําหรับอาหารเย็นและเช้าพรุ่งนี้ด้วย เอาแต่เนื้อสันมานะส่วนอื่นอย่าเอามาทั้งสองรับคำชวนกันเดินตัดหายขึ้นป่ากระชิดหายไปดาลินถอดบูทออกแล้วสอดเท้าเปลือยลงไปในไปกรบอยู่ในพื้นทรายเหมือนจะให้ทรายช่วยดูดความชาที่สวมรองเท้าอยู่เป็นเวลานานตั้งคำถามขึ้น่อยๆว่าแรดกับกระซู่นี่มันต่างกันยังไงนะพระรพินทาเป็นเหมือนจะไม่ได้ยิน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 และพินไม่อยากให้เธอมีข้อสงสัยซักโนนซักนี่มากเรื่องอยู่นะสิถึงเรียกวันแรดให้เธอเข้าใจได้ง่ายๆเขาบอกเธอว่าแรดนะดีแล้วถ้าเขาบอกเธอว่าหมูเธอก็ไม่มีวันรู้บ้าเห็นฉันเป็นเด็กอมมืองั้นหรือดารินตวาดแวด๊ดค้อนเพื่อนชายปรปะหลัดเหลือกชายยันกับเช่อถาหัวรอ ก, กึกึอยู่ในราคอนักมนุษยวิทยาผู้ปราดเปรื่องถว่าเป็นนักสัตววิทยาที่อ่อนหัด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 ถ้างั้นประเดี๋ยวผมลองหาลือเกิดกับแงซายดูก่อนนะครับหญิงสาวลุกขึ้นสระผมที่ม้วนพับไว้สยายเต็มบ่าแล้วก็พูดขึ้นลอยๆอยฉันจะอาบน้ำละ่ะในระหว่างสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี่นะ่ะใครจะเป็นผู้เสียสละถือปืนคุ้มกันให้ฉันบ้างรับรองว่าเดียวๆเท่านั้นรับผิดใจหายว่าบแต่แล้วก็รอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอก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 แล้วก็ไม่รู้จักเอาแฟนมาด้วยจะได้คอยนั่งเฝ้าเวลาแม่เจ้าประคุณอาบน้ำทุกครั้งไปโดยไม่ต้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถึงว่าสิแค่สาวคนสวยพูดเรียบเรียบรู้งี้เอามาด้วยก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเง้อนอกจากพี่ชายของฉันเองแล้วแต่ละคนใจดำเอามาหิดหเกินพึ่งพาสายไม่ได้เลยชายยันหัวเราะแต่ละพินสะดุง้ง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 ตามนิสัยอันเปิดเผยตรงไปตรงมาของเขาโอ้ยน้อยนะหรอจะรักใคร่าตของผู้หญิงแทบจะไม่มีอยู่ในตัวเลยคุณก็เห็นอยู่แล้วเพื่อนผู้ชายของเขามากมายก่กองก็จริงแต่ตัวเขาก็เหมือนเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนไหนจะกล้ารักแล้วคุณชายยานละครับมีผู้หญิงที่หมายตาไว้แล้วหรือยังจอมปรานคงถามเรื่อยๆ อ, อยู่ในกระแสเสียงเดิมคราวนี้ผู้ถาม หัวเราะลั่นผมยังไม่มีแฟนหรอกรับพินมีให้เกิดห่วงทำไมสงสัยคู่สร้างยังไม่เกิดว่าถึงตัวคุณเองบ้างเถอะก็คงอยู่ในความหมายอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละครับเพิ่มเติมด้วยเหตุผลจำเป็นอีกสองประการคือหนึ่งฐานะอันหาเช้ากินข้าของผมและสองชีวิตที่กลากรรมอยู่แต่ในป่าแล้วเขาก็หัวเราะออกมาบ้างอย่างขันขัน ถ้าบังเอิญการข้างหน้าผมจะมีพันยาสักคนคงไม่แค้ผู้หญิงบ้านป่าแน่ๆรูปการสิ่งแวดล้อมมันบอกชัดก็ไม่แน่นักเรื่องของคู่สร้างบุคเพสันนิวาสชายานพูดเนิบๆ น, น้ำเสียงหนักแน่นจริงจังอยู่กันคนรับฝั่งฟ้ายังมาพบกันได้ถ้าฟ้ากำหนดสองพี่น้องแห่งราชนิกูลเดินกลับเข้ามา ดารินผิวหน้าผ่องใสสดชื่นหลอนเปลี่ยนชุดใหม่ที่อุตสาหามีติดตัวสำรองมาเรียบร้อยพร้อมทั้งชุดเก่าที่ผลัดซ้ำนำมาคลี่ผึ่งไว้ที่แง่หินแล้วใช้แปรงปัดเส้นผมที่สะไว้ยังมีรอยชื้นๆพอเห็นข้าวชายยันก็อดแย่ไม่ได้เป็นยังไงอะไรหลอนผ่าซื่อเลิกคิ้วย้อนถามมาปาตายไปกี่ตัวบ้าดารินค้อนขวับครึ่งยิ้มครึ่งบึง้ง มีสบู่มีแปรงมีผ้าเช็ดตัวมาครบเชียวนะเรื่องของฉันฉันแบกของฉันมาเองไม่ได้ทำให้ใครหนะักมีลิปสติกครีมรองพื้นฝุ่นผัดหน้าอายแชโดว์แล้วก็กระจกมาด้วยหรือเปล่าบ้าบ้าบ้าอย่ามายั่วนะตาชยันนี่ตั้งแต่รีอ่านสูงสิงกับพรานใหญ่ติดนิสัยยั่วประสานมาีคนหนึ่งแล้วโรคติดต่อหรื อ, อยังไงรลิพีนไพวันกระพริบตาปลิด กืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นชายยันหัวเราะมันเรื่องอะไรกันล่ะที่ไปพาเอากับระพินเขาเขาอยู่ดีๆแท้ๆน้อยนี่กับพี่ลึกพี่ชายพูดปนหัวเราะหลอนค้อนกราดไม่รู้หรือคะเห็นนั่งซุบซิบอะไรกันอยู่ชัยยันหันไปสกิพระพินบอกหน้าตาเฉยว่าโธเอ้ยกรรมของคุณแท้ๆแต่ไม่เป็นไรนะเราเป็นลูกแกะใครๆเขาก็รู้อ๋อ นี่หาว่าฉันเป็นหมาป่างั้นสิแสนงอนประจำป่าเอตโรลั่นเออแน่จำนิทานอิศรบเรื่องนี้ได้แม่นเหมือนกันพร้อมกับพูดชายันขยับตัวบิดขี้เกียจปิดปากหขาวเห็นจะต้องสะสงคงขามั่งแฮะเหนียวตัวหรือเกินน้อยนี่รอบครอบแท้อุสาหเอาสบู่มาด้วยว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปหยิบสบู่ แต่เจ้าของสบู่ตีมือเผียตวาดแหววไม่ให้นอกจากพี่ใหญ่แล้วใครจะเอาสบู่ฉันไปใช้ไม่ได้เด็ดขาดใครจะสะสมลงคงคายัางไงก็เชิญทรายริมทานโน่นแน่แยะแ ย, ย, ยะไปใบคอยก็ได้เอาขัดขี้ใครเข้าพูดมากดีนักแล้วไม่วายจะมาขอสบู่ชา ย, ยันหน้าม้อยโทษโทโทนี่เห็นเป็นปาไหลเป็นเสียแล้วหรือยังไงจะให้เอาทรายกับใบคอยขัดตัว ยืมหน่อยหน้าใจดําไปได้บอกว่าไม่ให้อย่างเด็ดขาดไม่ได้ยินเหรอข้าที่ปากดีนักจะต้องมาพึ่งสบู่ชั้นทําไมวานให้ไปนั่งเป็นเพื่อนหน่อยก็ขี้เกียจเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละจนพี่ชายเขาอดทนทนอยู่ไม่ได้ต้องไปนั่งเป็นเพื่อนให้นี่แล้วหรือสุภาพบุรุษก็เธอเล่นโน้พีชอาบน้ําแบบนี้สุภาพบุรุษที่ไหนเขาจะอยากไปนั่งเป็นเพื่อนนอกจากบุรุษที่ไม่สุภาพอย่างอื่นเตรียมมาได้สารพัด จะเตรียมชุดอาบน้ำมาสักชุดก็ไม่ได้ช ย, ยันบน่นแล้วหันมาทางระพินผู้นั่งสงบเฉยอยู่พยักหน้าชวนไม่ให้สบู่เราก็ไม่ง้อนีลระพินนีไปไปอาบน้ำกันมากงดีกว่าปพระเดี๋ยวตะ ว, วันตกดินแล้วขืนอาบเข้าไปก็ชักตายเท่านั้นบอกกล่าวสิก่อนด้วยนะถ้าแผลถูกน้ำเป็นหนองแล้วก็อย่ามาร้องหาฉันเลดารินป้องปาตะโกนไล่หลังมา เพื่อนชายทำหน้าย่นร้อโบอกมือพลาสเตอร์ของฉันวอเตอร์ปลูกน้ำเข้าไม่ได้หรอกแต่ถึงแผลจะเป็นหนองก็รับรองว่าไม่ยอมหาหมอคนที่ชื่อดารินหรอกหมอใจร้ายพันนี้ดีละจำคำพูดของตัวเองไว้ให้ดีเชียวนะหล่อนอาคาตแล้วก็เองตัวลงนอนพักอย่างสบายบนผืนผ้าใบาที่ใช้ปูรองพื้นในบริเวณแคมป์ในระหว่างที่สามชายชวนกันลงไปอาบน้ำ มือทั้งสองประสานกันวางไว้บนอกหลับตาลงเสียงชา ย, ยันตะโกนขึ้นมาจากกลุ่มโขดหินริมทานอีกว่าน้อยแล้วกันสิว่านอนอยู่ได้เอาปืนมานั่งคุมให้หน่อยสิพวกพ้องกำลังอาบน้ำไม่มีปืนซักกระบอกไม่รู้ไม่ชี้หล่อนตะโกนตอบลงไปไม่ขยับตัวไม่ลืมตาถ้าเสือหรือช้างมันโผล่ออกมาก็ให้พรานใหญ่เขาตวาดไล่มันไปก็แล้วกัน อย่ามากวนใจชายยันจะตะโกนมาเช่นไรอีกหลอนไม่สนใจนอนฟังเสียงชนีและนกยูงร้องสั่งสายันแล้วก็ปล่อยหลับไปด้วยความระเหียจากการกรำหนักมาตลอดทั้งคืนและวันทั้งสามอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่บริเวนปางพักดารินก็ยังคงนอนหลับปุ๋ยอยู่เช่นนั้นไม่มีใครรบกวนห ล, ลอนเพราะสงสารที่สมบุกสมบันมาทั้งวัน ขณะนั้นอากาศเริ่มขมุกขมัวเพราะใกล้ข้ามเต็มทีรผินเริ่มก่อไฟสำหรับหุงหาส่วนเชษฐาและชายยันนอนพักสูบบุหรี่คุยกันเบาๆทันใดนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงปืนแผดคำรามก้องขึ้นนัดหนึ่งสถานไปทั้งป่ามันดังไม่ห่างออกไปนักเชษฐากับชายยานันตะครุบไรเฟิรคู่มือที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณส่วนหม่อมราชงหญิงดาลินผู้หลับสนิทอยู่ ตื่นพวดพลาดขึ้นมาด้วยอาการตกใจทั้งหมดลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมราวกับนัดกันไว้ยกเว้นพรานใหญ่คนเดียวผู้ยังนั่งอยู่ในอาการเดิมแต่สีหน้าชงนเงี่ยหูคอยสะดับตับฟังเสียงที่จะเกิดขึ้นต่อไปแง่าสายกับเกิดชายยันกระซิบต่ำๆยิงอะไรก็ไม่รู้เราตามไปดูกันเถอะเชี่ากล่าวเร็วปือ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับไม่มีอะไรหรอกจอมผ่านขัดขึ้นเรียบๆ ย, ยิ้มให้ภายหลังจากจับเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกลีบลงตามเดิมโดยไม่มีอะไรกระโตกกระตากถ้าเสียงปืนดังขึ้นนัดเดียวแบบนี้ก็แปลว่าสองคนนั่นคงจะยิงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นประเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเขายิงอะไรใกล้ๆนี้เองไม่ห่างมากนักขณะนายจ้างทั้งสามเบาใจลง เมื่อได้ยินคำพูดของเขาต่างสุดตัวลงนั่งตามเดิมดาลินตาสว่างขึ้นในทันทีนั้นและไม่คิดที่จะนอนต่อไปอีกทั้งหมดรอคอยการกลับมาของเกิดกับแง่ทรายด้วยอาการกระสับกระส่ายทายไม่ถูกนอกจากพระพินผู้ดำเนินการหุงหาอาหารอยู่ปกติห6นาทีหลังจากนั้นเงาของชายสองคนก็ปรากฏกลับมุมบังของโขดหินใหญ่ริมทาน เดินดุ่มตรงเข้ามาเกิดนาหน้าแง่ทรายตามมาข้างหลังมีสัตว์อะไรชนิดหนึ่งแบกค่อมมากับไหล่ด้วยเหตุการณ์มันตรงกับการคาดคะเนของพรานใหญ่ทุกอย่างกลับมากันแล้วแบกอะไรกันมาด้วยนะ่ะชายยันร้องออกมาอย่างยินดีทั้งสองเดินเข้ามาถึงแง่ทรายเหวี่ยงสิ่งที่แบกอยู่รงมันคือเก้งขนาดเคืองเกิดพูดพลางหัวเราะพางว่า พบตรงชายดงกระชิดใกล้ๆนี่เองครับผมจะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วแต่แงซ า, ายบอกว่านายหญิงไม่กินเนื้อมีหิงสาจะเอาแก้งตัวนี้มาฝากนายหญิงผมก็เลยบอกให้เขายิงดาลินลืมตาโตหันไปทางหนุ่มกระรยี่งพเนจรแล้วร้องแหลมออกมาด้วยเสียงหวานขอบใจมากๆแงซ า, ายเธอรอบคอบและดีต่อฉันมากน่ารักเหลือเกินไม่มีใครก็ห่วงใยคิดถึงฉันหลอกนอกจากเธอเท่านั้นแหมดีจัง แง่าสายไม่ตอบเช่นไรสีหน้าอาการเฉยๆขลึมๆอันเป็นคุณลักษณะเดิมจัดการลากเก่งท่านั้นไปริมลำทานเพื่อถลกหนังแล่เนื้อทำง่วนอยู่คนเดียวเชฐาถามเกิดถึงนอแรดแล้วขอเอาไปพิจารณาดูชายยันเข้ามาชะโงกหน้าดูอยู่ด้วยได้ยินเสียงปืนเมื่อตะกี้เล่นเอาสะดุง้งอดีตนายทหารปืนใหญ่บอกกับพรานพื้นเมืองยิ้มย้ม นึกว่าแกกับแง่สายล่อกับช้างเข้าให้แล้วเกือบจะตามออกไปอยู่แล้วดีว่าพรานใหญ่ห้ามเสียผมเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แกะรอยอะไรในระยะติดพันแง่สายจะขอยิงเก้งก็เลยให้ยิงคิดเหมือนกันแหละครับว่าเสียงปืนอาจทําทให้พวกเจ้านายเข้าใจผิดแต่เรายิงกันนัดเดียวเท่านั้นเป็นการหาอาหารแต่ก็เกือบไปเหมือนกันแหละครับเกือบล่อไอ้ลายเสียอีกตัวทําไม เก้งตัวนั้นมันเพ่นหนีไอ้ลายม า, มาเข้าทางปืนพอดีครับมันกําลังไล่กันมาโชคไอ้ลายดีเหลือเกินเพราะมันเห็นเราเสียก่อนแว่งตัวหลบเข้าซุ้มไม้ผมกําลังจะยิงมันอยู่แล้วเลยยิงไม่ทันแถวนี้เสือชุมไม่แพ้หุยยายทองถ้าอยากยิงเสือคืนนี้ดักนั่งเฝ้าซากเจ้าสมงิงสาตัวนั้นเป็นได้หญิงแน่ดาลินได้เกิดให้ไปช่วยแง่ท า, ายจัดการกับเก้งตัวนั้น พอทั้งสองช่วยกันชำระเนื้อเสร็จขนกลับมาเต่าย่างแบบพิเศษของพรานใหญ่ที่ขุดเป็นรางไว้ฐานกะละอุแดงฉานได้ที่พอดีมันก็เป็นเวลามืดสนิททั้งหมดนั่งล้อมวงกองไฟเชืท้าเอาบรันดีขวดใหญ่ออกมาเปิดแจกจ่ายกันทั่วทุกคนเนื้อเก้งย่างน้ำกำลังตกส่งกลิ่นหอมหวนชวนใจให้ทุกคนหิวกระหาย ท่ามกลางเสียงจักกะจันเรไรอันเป็นดนตรีภัยบรนเรงขับกล่อมอยู่ต่างาพักพอและสนทนาการอย่างมีความสุขบรรยากาศกลางโดงของข้ามคืนนี้สดชื่นรื่นรมเป็นพิเศษภายหลังจากที่ได้แยกจากขบวนเกวียนใหญ่ออกมาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกันเองมิตรภาพสัมพันธ์กระชับเกลียวระหว่างกันและกันขึ้นอย่างแน่นแฟ้นทุกนะหญิงสาวนั่งกอดข่ามองดูไาย่างเนื้อที่กาลังจะได้ที่ แล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่แคมป์ใหญ่ของเราถ้ามีอุปกรณ์ครบจะทำบาร์บีคิวแก้งให้กินหายโมโหเต่าแล้วเระเพื่อนชายอดกระเซ้าไม่ได้ยังไม่หายหรอกบอกต่าไว้ด้วยนะแก้งตัวนี้ขอสงวนสิทธิ์โดยเฉพาะเพราะแงซายเจตนาหามาให้ฉันนอกจากฉันแงซายและพี่ใหญ่ซึ่งยกเว้นเป็นพิเศษแล้ว คนอื่นแย่งกินขอให้ลงท้องตายหล่อนพูดหน้าตาเฉยชายยันหันไปส ก, กิดระพินเราสาก่อไฟย่างให้เขาแท้ๆจะนึกถึงบุญคุณก็หาไม่นิแล้วพินนี้คุณเอาเนื้อแรกที่เกิดแรกติดตัวมาย่างฝนเข้าไปด้วยไม่ใช่เหรอพยายามย่างสับกันให้ดีเถอะเปลี่ยนเอาเนื้อแรกที่คนงกกินเสียเข็ดส่วนพวกเราเลือกเนื้อแกงกินเสียดาลินชูมืองหงิกิหกให้ มเัเอกนี่ในยาฉันรู้ดอกอย่างไหนเนื้อแก้งอย่างไหนเนื้อชนิดอื่นอย่ามาแหกตาเสียยากทุกคนหัวเราะ ก, กันอย่าคลึกคลื้นอาหารข้ามริมกองไฟมื้อนั้นทุกคนกินกันอย่างอรเด็ดอร่อยและมากเป็นพิเศษเพราะสิ่งแวดล้อมและความเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดที่ต่างประจนกันมาตลอดทั้งวันระหว่างที่คณะนายจ้างดื่มกาแฟหลังอาหารอยู่ พ่านใหญ่ก็เรียกเกิดกับแงสายเข้าไปซุบซิบหาหรืออะไรกันแล้วก็เดินมาซุด ต, ตัวนั่งที่โขดหินเล็กๆตรงหน้าเชษฐาผมหาเรือกับสองคนนั่นดูแล้วครับเกี่ยวกับกระสู่ตัวนั้นจอมพ่านพูดเบาๆเห็นจะไม่มีทางจัดการกับมันตามที่คิดไว้ได้แน่เพราะเราไม่มีขวานกับเลื่อยผมมีมีดโบวีอยู่เล่มหนึ่งเกิดกับแง่รายมีมีดประแดะอีกคนละเล่มรวมเป็นมีดสามเล่มเล็กๆทั้งนั้น แร่หนังมันไม่เข้าและถ้าจะลงมือทำการก็ต้องทำตลอดทั้งคืนไม่มีเวลาพักไหนจะตัดออกเป็นส่วนๆไหนจะต้องก่อไฟย่างแล้วเราต้องย้ายขบวนไปทำการตรงที่มันล้มนั่นด้วยเชื้ถาพยักหน้าถ้าเหลือบ่ากว่าแรงเกินไปนักก็ไม่ต้องเป็นห่วงทิ้งมันเสียก็แล้วกันคงจะเนื่องมาจากการอ่อนเพลียเพราะอดนอนติดต่อกันมาหลายคืนค่าวันนี้ดาลินวราลิศ หลับไปก่อนทุกคนหลังเวลาอาหารเล็กน้อยเชื่อถาชายยันและพรานใหญ่ยังคงหารือกันถึงแผนติดตามรอยไอแหวงต่อไปอีกเล็กน้อยตกลงกันเป็นที่แน่นอนว่าจะอย่างไรเสียก็จะต้องเดินทางไปสกัดดักพบขบวนเกวียนใหญ่เสียก่อนในวันรุ่งขึ้นระหว่างที่เราแยกตามรอยไอ้ควายขาเกกตัวนั้นมาพบร่องรอยของไอแหวงบ้างหรือเปล่าชายยันถาม รอยของไอ้เมหิิงสาแยกจากไอ้แหว่งที่ห้วยเยื่ทองตรงที่เราพักนอนกันเมื่อคืนที่แล้วครับแต่ว่ามันล่อเราให้แยกทางตามมันมาอีกด้านหนึ่งเบนลงทางตะวันออกเฉียงเหนือของทิศทางเดิมของไอ้แหงวงโชคดีเหลือเกินที่เราปราบมันได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่เกิน24ชั่วโมงทําไมางั้นเราไม่รู้ว่าเจ้ามหิงสาจะพาเราตเตลิดไปทางไหนอีกบ้างดีไม่ดีย้อนกลับลงไปโป่งกระทิงอีกห่างไกลจุดหมายออกไปทุกที เอาละจะยังไรเสียเราก็ไปคิดกันใหม่เมื่อพบกับขบวนเกวียนแล้วแยกทางจากพวกนั้นมาสามคืนสามวันเต็มๆเป็นห่วงยังไงบอกไม่ถูกต่างฝ่ายต่างไม่รู้ข่าวกันเลยเชษฐาสรุปแล้วทุกคนก็เอ็นตัวลงนอนสำหรับเวณยามนั้นคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดนัดแนะกันไว้แล้วคือผลัดกันคนละสองชั่วโมงเกิดเป็นยามต้นถัดมาก็รพินและแง่ทราย ส่วนชายยันและเชษฐาเป็นยามปลายติดต่อกันในตอนใกล้ลุ่งคืนนี้ป่าทั้งป่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆสาแสงจางๆลงมาจับทานน้ำและพื้นหาดทรายแลเห็นขาวนวลตัดกับความทมึนมืดเป็นเงาของดงดิบฝั่งตรงข้ามเสียงรีดเรไรเพรียกระโงมอยู่เป็นจังหวะยามใดที่มีเสียงพยากร้ายร้องคำรนขึ้น ดนตรีไพเราะนั้นก็หยุดสงบเสียงลงชั่วขณะแล้วก็เริ่มต้นเสียงแซ่อีกต่อไปจะหยุดชะงักลงพร้อมเพียงกันหมดเช่นนี้ในทุกครั้งที่ปรากฏเสียงเสือขึ้นนานๆครั้งจะได้ยินเสียงกวางร้องอย่างตื่นตหนกสลับไปกับช้างแม่ลูกอ่อนส่งเสียงเรียกลูกอยู่ในป่าทุกด้านเหนือนกกินยุงร้องรับกันอยู่เป็นจังหวะหวังว่าคืนนี้เราคงจะนอนกันอย่างสบายที่สุด ชายยันเปลยขึ้นพลางชักผ้าห่มผืนบางๆคลุมตัวเชษดถาผู้รอบคอบก็ขัดขึ้นว่าไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นเตือนตัวเองไว้ทุกขณะว่าต้องนอนไวแล้วทั้งสองก็สงบเสียงเงียบกันไปด้วยนิทราลมประมาณกืบสี่ทุ่มรพิณตื่นขึ้นรับยามต่อจะเกิดได้ยินเสียงหมาในฝูงใหญ่เห่าหอนอยู่ทางด้านใต้ของทานน้าอันเป็นตาแหน่งที่ซากมะหิสาตัวนั้นนอนอยู่ พวกมันคงจะคุมฝูงผ่านมาพบเหยออื่ออโอชะเข้าพอดีหรือไม่ก็มุ่งมาตามกลิ่นแม้จะอยู่ห่างไกลกันถึงเกือบพันลา้าแต่ความเงียบสงัดของยามดึกเช่นนี้ก็ยังสามารถได้ยินเสียงมันรุมกัดถึงซากควายป่าอย่างดุร้าย ต, ก ะ, ตะกะาตะกาได้อย่างถนัดคำนวณดูจากเสียงเห่าหอนแะกัดกันเองเพื่อแย่งเหยื่อของพวกมันตลอดจนเสียงการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างวุ่นวายคึกคัก มันจะต้องมีจำนวนนับเป็นร้อยๆตัวขึ้นไปซึ่งจัดว่าเป็นฝูงใหญ่มากมายผิดไปกว่าฝูงหมาในตามปกติที่เขาเคยพบเห็นว่าในฝูงหนึ่งมีไม่เกิน 7-8 ตัวเป็นอย่างสูงเกิดยังไม่ยอมนอนในขณะนั้นตะแคงหูฝังเสียงและมองตาเขานิ่งๆพรุ่งนี้ควายป่าทั้งตัวอาจเหลือแต่กระดูกผ่านพื้นเมืองพึพรรมพำ ในตาตื่นเบิกโพงอยู่ในเงาสลัวของสองแสงไฟวอมแวมแกว่าหมาในหรือหมาจิ้งจอกเขาหยั่งความเห็นผมว่าหมาในครับแต่ทำไมมันถึงฝูงใหญ่อย่างนี้ผมฟังเสียงมันมานานแล้วก่อนที่นายจะตื่นทีแรกเสือสองตัวลงกินซ่าควายก่อนไอ้พวกหมาผีนั่นจับฝูงคึกๆออกจากดงทึบฝั่งโน้นมาทนหลังไล่กัดเสือสองตัวเปิดไป แล้วพวกมันก็ยึดเหยื่อแทนลงท้าเสือใหญ่สองตัวยังอยู่ไม่ไหวพวกมันก็จะต้องเป็นร้อยจอมผานเม้มปากประกายตาเคร่งลงขึ้นชื่อว่าหมาแล้วในความรู้สึกของคนโดยทั่วไปมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ามันเป็นหมาในและคุมฝูงกันได้เป็นร้อยๆตัวเช่นนี้ต่อให้เสือที่อยู่ในชั้นเจ้าป่าถ้าเห็นไม่ทันก็มีหวังตกเป็นเหยื่อ และถ้ามันเลยผ่านจากซาควายตัวนั้นมาโดยที่แต่ละตัวยังไม่อิ่มเต็มคาบมาอย่างที่ตั้งแคมป์ของหกชีวิตในขณะ น, นี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างลำพังไหลเฟิ่งขนาดใหญ่ที่มีประจำมือกันเพียงคนละกระบอกและกระสุนเพียงไม่กี่นัดย่อมไม่มีทางยับยั้งความกระหายเลือดของพวกมันได้แน่นอนเขากอบฝุ่นข้างตัวขึ้นมาโปรยเพื่อหาทิศทางลมโปร่งใจขึ้นเล็กน้อยที่พบว่า ทิศทางที่ตั้งแคมป์อยู่ในระดับใต้ทางลมของพวกมันในขณะนี้สั่งให้เกิดขนเอาขอนไม้แห้งที่นำมากองสำรองไว้สมไฟให้สว่างโชดช่วงเพิ่มขึ้นอีกแล้วเกลี่ยกองไฟแผ่ขยายอนาบริเวณเป็นรั้วร้อมรอบไว้ทางด้านหน้าในลักษณะครึ่งวงกลมการเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมต้อนรับสถานการณ์ร้ายของเผ่าได้เกิดหาได้แววไปถึงคณะนายจ้างทั้งสามที่หลับสนิทยอยู่ในขณะนี้ไม่ คงมีแต่งแง่สายเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาช่วยสุมไฟอีกแรงหนึ่งอย่างทันต่อเหตุการณ์โดยไม่จำเป็นต้องปลุกแล้วก็นั่งคอยสดับฟังเสียงนั้นอยู่ด้วยความระมัดระวังทุกระยะฝูงหมามรุตะยูยังคงวุ่นวายกันอยู่ที่ซ่าควายตัวนั้นโดยไม่มีทางที่ว่าจะพระจากไปง่ายๆเสียงมันขู่คำรามและทะเลาะกัดกันเองดังมาแว่แวๆถ้ามันกินควายตัวนั้นหมดแล้วผ่านมาทางนี้ เสียงแง่สายแผ่วต่มดังขึ้นลอยลอยเหมือนจะรำพึงเชื่อว่าควายตัวนั้นก็จะทําให้พวกมันอิ่มพอแต่ถ้ามันจะผ่านมาก็คงไม่มีทางฝ่ากองไฟเข้ามาได้ระวังอย่าให้ไฟมอดก็แล้วกันพรานใหญ่บอกเราไม่มีลูกซองมากันด้วยเลยถ้ามีลูกซองครบมือกระสุนมากๆเราคงปะทะมันได้เหมือนเมื่อคราวที่ถูกฝูงลิงบุก ค, ครั้งนั้นเกิดคลางขึ้นอีกคนหนึ่ง หันไปรวงย่ามหยิบกระสุนจุดเจดห้าที่เขามอบติดตัวไว้ให้ขึ้นมานับแล้วถอนใจเฮือกเพราะมีอยู่เพียง12บสองนัดเท่านั้นเองของแงส่สายซึ่งได้รับมอบจากดารินก็มีไม่เกิน15ห้านัดส่วนพรานใหญ่มีลูกปืนขนาดจุดสี่ห้าแปดของเชษฐาเหลืออยู่เจนัดสำหรับคณะนายจ้างทั้งสามก็คงจะไม่ได้นำกระสุนสำรองติดตัวกันมาม า, มากนักกระสุนเหล่านี้มันเพียงพอสำหรับที่จะล้มสัตว์ใหญ่เท่านั้น แต่มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกหมาหมูนับร้อยที่จะประดังกันเข้ามาสิ่งที่จะทำความอุ่นใจให้ได้ในขณะนี้ก็คือรั้วไฟที่จะสกัดกั้นมันไว้เท่านั้นโชคดีเหลือเกินที่ผนังด้านหลังไม่ต้องกังวลเพราะเป็นบริเวรผาหินเสมือนกำแพงธรรมชาติกั้นไว้ครึ่งชั่วโมงต่อมาท่ามกลางการเฝ้ารออยู่ด้วยใจอันเต้นระทึกเสียงหมานฝูงนั้น พาการเคลื่อนขบวนข้ามน้ำธานเข้าไปสู่กลางดงทึบฝั่งเดิมกับที่พวกมันพากันออกมาและห่างไกลออกไปเป็นลําดับในที่สุดทุกสิ่งก็อยู่ในดุษณีภาพตามเดิมระพินแงสายและเกิดมองดูตากันเองแล้วพากันถอนใจออกมาอย่างร่องอกพลานใหญ่ทุกขึ้นคว้าไร่เฟิ่กับไฟฉายเกิดก็ตามติดแงสายแกรอเฝ้าอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งนอนจนกว่าฉันจะกลับมา เขาหันไปสั่งหนุ่มกระเลียงพเนจรแล้วก็พยักหน้ากับเกิดชวนกันย่องเลาะลัดไปตามฝั่งลำธาร น, น้ำย้อนไปยังซ่าของมหิงสาที่ล้มอยู่เมื่อพ้นเหลี่ยมตะลิงใกล้เข้ามาก็ฉายไฟปราดออกไปยังตำแหน่งนั้นเกิดอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอจากลำไฟฉายขนาดแปดท่อนของรพินสิ่งที่กองอยู่ริมโขดหินนั้นหาช่ซ่าของเจ้าเขาเกกมหิงสาตัวมหึมานั้นเสียแล้ว แต่กลายเป็นกองกระดูขาวโปรนที่เรียงรายอยู่ระเกะระกะสังเกตเห็นได้จากกีบตีนทั้ง4และหน้าบางส่วนที่ติดอยู่กับกระโหลกศีรษะเท่านั้นทั้งสองเดินเข้าไปสำรวจจนใกล้พบรอยตีนของฝูงหมานรกที่ย่ำเอาไว้กราดเกลื่อนเต็มไปหมดทานน้ำที่มันบุกผ่านไปเมื่ออึดใจใหญ่ๆนี้ก็ยังขุ่นคลักรวายทั้งตัวพวกมันลุ่มกันกัดแทะกินเสียไม่มีเหลือหรอ นึกว่าจะเก็บไว้เป็นมื้อเช้าอีกสักมือ้อไอ้พวกหมานรกมาแย่งกินหมดเสียงเกิดสะบดสะบานผดุสวดัดตามหลังหมาในฝูงนั้นไปยังหัวเสียแล้วผิดหัวเราะหึหยควรจะขอบใจเจ้าป่าที่ให้หมาฝูงนั้นพบซาควายตัวนี้เสียก่อนไม่งั้นกระดูกของแกจะกองแทนกระดูกควายนี่ไปกลับกันเถอะเขากลับเกิดเดินย้อนกลับมาที่แคมป์ จากนั้นเกิดและแง่าสายก็นอนโดยพรานใหญ่ทาหน้านที่เข้ายามแทนตอนปลายยามของเขาติดต่อกับยามของแง่าสายมีเสียงฟ้าร้องแววมาจากทางด้านตะวันตกไกลๆและในระหว่างยามของแง่าสายนั่นเองพายุฝนก็ซัดกระหน่าลงมาอย่างลืมหูลืมตา ม, ม่ขึ้นไฟที่ก่อไว้ทุกองดับลงหมดทุกคนพากันตื่นขึ้นเพราะเสียงพายุที่ถล่มป่าและละอองฝน ช่วยกันเอาผ้าใบาพื้นใหญ่ขึงการฝนสาด ท, ทางด้านหน้าไว้ต่อจากนั้นก็นั่งเบียดกันอยู่ในซอกโพรงของเชเวกผาตัวสันสานด้วยความหนาวเยือกจับคู่หัวใจเมื่อเย็นนี้สัตว์ใหญ่ลม้มลงถึงสองตัวฝนเลยตกใหญ่เกิดพูดด้วยคางที่สั่นกระทบกันต่างมองเห็นหน้ากันได้เป็นระยะจากแสงฟ้าที่แลบอยู่วูบวาบและผาเปรี้ยงตั้งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น มันเกี่ยวอะไรกันกันกบที่สัตว์ใหญ่ล้มแล้วฝนถึงตกเชื่อถ า, ถามขณะนี้ไม่มีใครสามารถจะนอนลงได้เพราะพายุฝนอันแรงร้ายกาจป่าทั้งป่ามีอาการเป็นหนึ่งว่าจะถล่มทลายลงด้วยมหาวาตะและนน้ําจากฟ้าที่ซัดกระนาลงมาปานมหาทำนกแตกพวกพรานป่าก็เชื่อกันว่าถ้ามีสัตว์ใหญ่ล้มฝนจะต้องตกตามธรรมเนียมครับเป็นเสียงตอบเรีย บ, ยบมาจากพรานใหญ่ในเงาหมืน่น แต่นี่มันตกเกินทำเนียมไปเสียแล้วหรื อ, อยังไงผู้กองชา ย, ยานสอดขึ้นด้วยเสียงปนหัวรอบแปลงแปงทุกคนต่างมีความรู้สึกกระสับกระสายอย่างไรบอกไม่ถูกโดยไม่ได้ปีกปากบอกกันฝนฟ้ายิ่งทวีดีทวีความแรงกล้าขึ้นทุกขณะเสียงไม้อยาหักล้มอยู่โคลนคืนและคนไปกับสายอสุนีบาด ท, ทุกครั้งที่ฟ้าแอบมองเห็นป่าลู่ละเนนไปด้วยอำนาจพายุกลางสายฝนอันหนาทึบ แล้วก็ดับวูบครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มืดทมึนเหมือนอยู่ในเหวนรกต่อไปมันเป็นราตรีที่น่าสยดสยองด้วยภัยธรรมชาติขีดสุดเวลาผ่านไปอีกชั่วโมงเต็มๆโดยไม่มีใครหลับนอนกันเลยทุกคนเงียบสงบปากเสียงราวกับนัดกันไว้ตาเบิกโพรงอยู่ในความมืดสะดับฟังเสียงฝนเสียงฟ้าที่ดังเหมือนมัจจุราชคำรน กระแสน้ำในสายทารที่อยู่ตรงกลางเริ่มจะเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นทุกขณะไละไหลเชี่ยวกรากคลางอู้กินอนาบริเวณชายฝั่งท่วมใกล้ชเชือกผาที่ตั้งแคมป์เข้ามาทุกทีเอถ้ามันจะไม่เข้าไทยแล้วแฮน้ำในทานนี้มันไล่แดนพวกเราเข้ามาทุกทีแล้วเสียงเชี่าร้องขึ้นและทันใดนั้นละผินก็ลุกพรวดขึ้นยืนย้ายที่เดี๋ยวนี้เถิดครับยอมเปียกฝนขึ้นไปบนฝั่งดีกว่า คืนอยู่ที่นี่มีหวังจมน้ําแน่เราอยู่ในทางน้ําเสียด้วยทุกคนลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมในทันทีนั้นต่างช่กันเก็บข้าวของอย่างรวดเร็วโดยอาศัยแสงไฟฉายทุกสิ่งดําเนินไปอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาแล้ววิ่งฝ่าสายฝนออกมาพ้นบริเวณเชเวอกพาเพื่อจะย้อนกลับขึ้นตลิ่งด้านตาโปรครั้นแล้วทันทีนั้นเองก็มีเสียงคลื่นโคลง ม, มาทางด้านเหนือของต้นน้ําปานแผ่นดินจะถล่มไม่ผิดอะไรกับคลื่นในมหาสมุทร แง่สายฉายไฟปราดขึ้นไปก็เห็นละลอกน้ำสีขาวขน้นม้วนตัวสูงเทียมระดับยอดไม้กำลังถาโถมลงมาปานภูเขาเหล่ากาน้ำป่ามันมาถึงแล้วแง่สายตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงอย่างตนกขีดสุดทั้งหมดตะลึงพึงเพลิดลาวกับถูกสาเป็นท่อนหินพลิบตาต่อมานั่น เ, เองก็ปรากฏเสียงตูมสนันลั่นเปี้ยขึ้นในระบบประสาทของทุกคนประหนึ่งว่าร่างกายถูกแยกออกเป็นเสียง เท้าหลุดลอยจากพื้นที่เหยียบยืนอยู่จากนั้นก็เคว้งคว้างวูบวาบโลกทั้งโลกหมุนตลบไปหมดไม่อาจสัาเนียกได้ว่าตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ปราศจากการยึดเหนียวปราศจากสิ่งใดมาสัมผัสนอกจากกระแสน้ำอันแสนจะเยียบเย็นที่ฉุดกระชากครากตัวพรานปานจะพาดิ่งไปสู่ขุมนรกที่มืดมิดอันไม่อาจกาหนดอนาคต สิ่งแรกที่ค่อยๆเข้ามาสู่ความรู้สึกของรพินก็คืออาการสำนึกในข้อที่ว่าชีวิตยังเป็นของเขาอยู่แต่ยังไม่สามารถตระหนักแน่ว่ามันอยู่ในสภาวะใดสติสัมปชัญญะกลับคืนมาทีละน้อยจากนั้นโสดประสาศก็แววเสียงเรียกอยู่ใกล้ๆอย่างเล่าร้อนกระหืดกระหอบพร้อมกับฝ่ามือนุ่มๆที่เขย่าใบหน้าพรานใหญ่ลืมตาโพลงขึ้นในบัดนั้น แรกที่สุดมันพ่ามัวไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยครั้นแล้วต่อมาก็ปรากฏภาพใบหน้าของใครคนหนึ่งกำลังจับจ้องอยู่ที่เขาด้วยดวงตาตื่นตระหนกรุ่มร้อนใจดวงหน้านั้นก้มลงมาห่างจากเขาเพียงเล็กน้อยผู้ปลุกเรียกให้เขากลับมามีความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งคือหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเวราลิศนายจ้างสาวผู้แสนญิงนั่นเองเขาก็ตระหนักนบัดนี้ว่า ตนเองนอนอยู่บนจอมปลวกสูงอันมีผิวดินชื้นแฉะตอนหนึ่งป่าพรวงลิมทา น, น้ำซึ่งบัดนี้มีสายน้ำสีแดงไหลเชี่ยวกลากเต็มฝั่งเสื้อผ้าและร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยโคลนและทรายล่า จ, จะสะกุลสาวสวยผู้เป็นนายจ้างนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆสภาพของหลอนไม่ผิดอะไรกับเขาในขณะนี้เสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่เมื่อคืนและกางเกงเดินป่าของหลอนขาดเป็นริ้วราวกับถูกกระชากด้วยมีด อันเป็นผลมาจากขมแง่หินและกิ่งไม้ขมุกขอมอมไปหมดทั้งตัวกายของหล่อนสั่นสะท้านเป็นรูกนกขณะนั้นแสงอบอุ่นของตะ ว, วันสอดรอดลงมาจากยอดไม้สูงเหนือศีรษะลำแสงของมันบอกให้รู้ชัดว่าเป็นเวลาประมาณสามโมงเช้าพรานใหญ่พวดพลาดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วจ้องสำรวจดูหล่อนก่อนนอกจากอาการฟกช้ำและบาดแผลทลอกเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างของหล่อนเป็นปกติ นั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องขอบคุณสมวัลแล้วก็หันมาสำรวจตัวเองเป็นลำดับต่อไปอวัยวะทุกส่วนยังพอจะใช้การได้แม้จะเต็มไปด้วยความขัดยอกระบมไปหมดทั้งตัวไรเฟิลประจจำมือของเขาบัดนี้อันตรธานไปเสียแล้วพร้อมทั้งสัมภาระอื่นๆนอกจากมีดเดินป่าที่ติดอยู่ในเข็มขัดข้างเอวและของเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อกางเกงเท่านั้นส่วนหล่อนก็เช่นเดียวกัน คงมีแต่ปืนสั้นจุดสมห้า็ดแมกนัมซึ่งสอดอยู่ในซองคาดติดอยู่กับเอวพร้อมกระสุนในรางเข็มขัดแล้วก็ชุดเสื้อผ้าติดตัวที่ขัดวุ่นวิ่นราวกับนางไพรเชิฐถาชัยยันเกิดและแง่สายหน้าบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนในสีหน้าที่แสดงอาการวิตกกังวลเหรือที่จะกล่าวแววตาคู่นั้นฉายแสงปิติขึ้นเล็กน้อย เมื่อเห็นเขารู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเสียงแหบคือของหล่อนก็ดังทำลายความเงียบงันขึ้นเป็นประโยคแรกว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคงไม่เป็นไรหรอกครับคุณหญิงล่ะผ่านใหญ่ย้อนถามออกมาจากลําคอแห้งผาจ้องหน้ารลอนอีกครั้งแล้วกวาดสายตาไปรอบๆฉันก็ไม่เป็นอะไรมากนะักแล้วคุณชายคุณชา ย, ยันเกิดกับแง่ทาย หล่อนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ยักไหล่แล้วทิ้งแขนทั้งสองลงข้างตัวอย่างหมดแรงจอมพรานเ ม, ม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงกล่าวต่ำๆเหมือนกระซิบนี่แปลว่าพวกเราถูกน้ำป่าแทกซัดกระจัดกระจายแยกจากกันไปหมดคนละทิศละทางทีเดียวเป็นความผิดของผมเองที่ตั้งแคมป์ในเขต ท, ทาน้ำนึกไม่ถึงว่าฝนมันจะตกหนักแล้วทานบแอ่งน้าใหญ่บนภูเขาลูกใหญ่ต้นทานมันจะพังลงอย่างกะทันหัน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 ในที่สุดฉันก็เดินเปรตป่าส่งเดชมาตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเองดาลินกลืดน้ำลายลงคออย่างฝืดๆมองดูเขาด้วยสายตาอันบอกไม่ถูกเดชบุญหรือเกินฉันเดินมาพบคุณนอนสลบอยู่ตรงนี้เข้าพอดีเข้ามาตรวจดูคุณเห็นไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะักก็เลยปลุกเรียกขึ้นฉันเรียกคุณอยู่สักสองสามนาทีเห็นจะได้คุณก็รู้สึกตัวขึ้นนิดแหละเหตุการณ์มันเหมือนฝันร้าย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 สิ่งที่ข้าววิตกกังวลขีดสุดในขณะนี้อยู่ในข้อที่ว่ากระแสน้ำอันแรงกล้าที่ซัดปะทะลงมาอย่างจู่โจมกระทันหันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลทั้งสองได้ในพริบตาหรือไม่ก็พิการซึ่งไม่มีทางที่จะช่วยเหลือแก้ไขอย่างใดไ ด, ได้สำหรับขาว ก, กับหม่อมราชวงหญิงดาลินนั้นเป็นอันอุ่นใจได้แล้วว่าปลอดภัยแน่มันเป็นคราวเคราะดีสาหรับหล่อนอย่างที่สุด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 ฉันเป็นห่วงพวกนั้นจนบอกไม่ถูกแล้วล่ะเราจะทำยังไงกันดีหญิงสาร้องออกมาอย่างกราดกรุ่มจ้องหน้าเขานิ่งฝากทุกสิ่งทุกอย่างในความหวังไว้ให้กับจอมพรานอย่างน้อยที่สุดก็ช่วขณะแห่งวิกฤตการอันคับขันเช่นนี้ระพินอ่านสายตานั้นออกด้วยความสมเพศเป็นครั้งแรกขอโทษฉันอาจขวัญเสียมากไปหน่อยก็ได้เหตุการณ์เมื่อคือนนการหลงพัดกับพรกพวก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 ขอให้รู้แน่ว่ายังมีชีวิตปลอดภัยเท่านั้นขณะนี้เราอยู่ที่ไหนจอมพรานสะบัดข้อเท้าให้หายเค็ดแล้วเดินมาชิดชายติ่งของลำทานซึ่งขณะ น, นี้น่าจะเรียกได้ว่าแม่น้ำขนาดย่อมย่อมเพราะปริมาณอันมากมายของน้ำเต็มฝั่งและไหลแรงกลาดดารินสืบเท้าตามติดมาเบื้องหลังภายหลังจากสารวจชายฝั่งแนวป่าและสังเกตภูเขาบางลูกขเขาก็ตอบเรีย บ, ยบว่า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 จนกว่าจะถึงที่ตั้งแคมป์เชื่อว่าคงจะพบพวกเราในระหว่างทางถึงอย่างไรก็คงจะพัดตกไม่ห่างจากบริเวณสองฝั่งเท่าใดนะักคุณอย่าลืมว่ากระแสน้ำเมื่อคืนนี้มันมายังกับภูเขาเรากาทีเดียวนะระดับของมันสูงเหนือยอดอย่างซสอีกพ้นขอบฝั่งเป็นไหนไหนพวกเราอาจถูกพัดปลิวพ้นบริเวณทานไปก็ได้ก็ต้องลองค้นหาตามฝั่งทานดูก่อนนะครับเราสองคนยังถูกพัดมาตกอยู่ใกล้ฝั่งทานเลย และสำหรับคุณชายกับคุณชา ย, ยานนั้นถ้าฟื้อรู้สึกตัวขึ้นมาผมคิดว่าทั้งสองคนนั่นคงจะยึดแนวริมฝั่งทานไว้ก่อนแน่ๆคงไม่เดินเปะป ะ, ตะเตลิดเข้าป่าไปทางไหนหรอกพวกเราพัดกันที่รำทานก็ต้องยึดทานเป็นหลักสมมุติว่าเราเดินย้อนทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วยังค้นไม่พบจะทำยังไงกันต่อไปหล่อนตั้งคาถามต่อมาอย่างพ่านใจ แล้พีนสุดตัวงลงริมฝั่งวักน้ำขึ้นมาลูบล้างโคลนทรายที่เปรอะเลอะเทอะอยู่ตามใบหน้าและลำตัวออกแล้วก็ตอบอย่างไข่ควรว่าระยะทางจากที่เราหลงอยู่นี่ขึ้นไปจนถึงตำแหน่งตั้งแคมป์ครั้งแรกมีหมู่บ้านกะเหลียงอยู่หย่อมหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านผาเยิงพรางเขาเขาปลดผ้าของม้าผืนหนึ่งที่ยังคาดติดเอวอยู่ออกมาบิดไร่ความชื้นแล้วประครบซับหน้าถ้าหาตามริมสองฝั่ง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 เท่าที่เราไปเชิญอยู่นี้เป็นความจริงเราฝันร้ายไปหรือเปล่าดาดินดาพึงออกมาเบาๆเสียงเขาเอี้ยวบิดกายกระดูกรัานกรอบแกรบแล้วก็บอกมาว่าน้ำป่ามักจะจู่โจมมาโดยไม่ทันรู้นือ้อรู้ตัวอย่างนี้นะครับบนเขาใหญ่ต้นทานเป็นแอ่งน้ากว้างใหญ่ราวกับทะเลสาบฝนที่ป่าบนคงจะตกหนักติดกันมาหลายวันแล้วเก็บน้าในแอ่งไว้จนล้น ประกอบกับที่เมื่อคืนนี้มีพายุหนักเข้าอีกหินบางแห่งคงจะถูกพายุพังทลายทํานกแตกมันก็เลยเทลงมาเหมือนเราเทน้ําจากกระบอกผมเคยโดนน้าป่าเล่นงานมาสองสาครั้งแล้วแต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งนี้เท่าที่ฉันพอจะจําได้เมื่อคืนนี้พอคุณพูดยังไม่ทันจะขาดคําเลยว่าให้พวกเราย้ายขึ้นมาบนฝั่งยอมเปียกฝนน้ํามันก็มาถึงเสียแล้วนี่เราแทบไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลย นอกจากเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ไรเฟิลของฉันกับคุณก็หล่นหายไปหมดแล้วเราจะเดินทางติดตามหาพวกนั้นได้ยังไงกลางดงดิบแบบนี้หญิงสาวเออย่างปรงอนิจจังอนิตอนาฏในโชคชะตาผมมีมีดติดตัวอยู่เร่มหนึ่งคุณหญิงมีปืนสั้นอีกระบอกหนึ่งแค่นี้ก็เหลือที่จะพอเพียงสำหรับการป้องกอนตัวยามคับขันที่สุดผมเคยเดินมือเปล่าเสียด้วยซ้า ปืนสั้นกระ บ, บอกเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับป่าแบบนี้หล่อนแย้งอย่างท้อแท้ปลดเข็มขัดออกมานับดูจำนวนกระสุนที่บรรจุอยู่ในรางเข็มขัดพรานใหญ่ร่วงกระเป๋าเสือ้อหยิบซิปโป้ประจำตัวออกมาทดลองขีดจุดเปลวไฟจากไรเตอร์อยังทำงานได้ดีตามปกติป่าก็ตอบมาเรียบๆว่าปืนสั้นขนาดจุดของคุณหญิง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 พอถึงโคนกอไผ่ใหญ่มุมทางแยกของปลายดา ด, ด้านหนึ่งก็เห็นไก่ป่าสองสัมตัวกำลังจิกคุยคุยภผ่ห า, มาแมลงกินง่วนอยู่และผิดง้าง น, นกปืนอยู่ยังไม่ทันจะยกขึ้นส่องหญิงสาวก็เหยียบกิ่งไม้แห้งลั่นขึ้นเบาๆไก่ป่าสองสัมตัวฝูงนั้นก็พากันกระตากลั่นขึ้นอย่างตกใจและบินปลอหายวับไปกับตาราวกับนกพรานให ญ, ญ่จุปากเบาๆพร้อมกับโครงศีรษะ แต่แววตาประกายขันขันอยู่เช่นเดิมดาลินพึมพำขอโทษมันเปรียวหรือเกินขนาดรูกกดยาวยังไม่ค่อยได้ตัวลำพังปืนสั้นจะไหวหรือนายพรานหล่อนพูดอ่อมแอมมันก็ต้องลองเสี่ยงดูอย่างน้อยก็ดีกว่าเอาก้อนดินไปไล่ปลาอีกฝ่ายหัวเราะป้ายแขนเสื้ อ, อนขาดรุ้งริ่งขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้า รับขันถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ไวายที่จะยั่วฉันอีกนะหิวไหมไม่หิวเลยมันมีแต่ความกรุ่มจากป่าโปร่งใกล้ทานน้ำเริ่มจะกลายเป็นป่าลกทึบขึ้นตามลำดับและพินนำเรยนย่องกลิดค้นหาไก่ป่าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขายกปืนขึ้นเลงไก่เจ้ากรรมเหลือบมาเห็นและบินปลอหนีไปทุกทีเพราะระยะที่เห็นเป็นระยะใกล้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 ระหว่างดาลินผู้ยังหมอบกระแตอยู่ริมพุ่มไม้และระผินผู้นั่งทางขาจ้ำเบ้าอยู่ในอาการเดิมทั้งสองฝ่ายกับพริบตาปิดๆมองดูหน้ากันเองโดยมีซากเจ้าป่านอนสงบนิ่งขั้นกลางหลอนเป็นฝ่ายทลันยืนขึ้นก่อนเก็บปืนแล้วก็ตรงไปฉุดเขาให้ลุกขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าพรานใหญ่เป่าลมออกจากปาก ตายังจับนิ่งอยู่ที่ซากเสือร้ายแล้วชี้ให้ดูที่หัวไหลแทนคาตอบตาแหน่งนั้นเสื้อเดินป่าผ้าหนาของเขาถูกกระชากขาดออกไปเป็นชิ้นเท่าฝ่ามือและในขณะนี้ยังคาติดอยู่ที่ปากของไอ้ดาวมันขย่่ำงงเี้ยวพาดเป้าหมายไปนิดเดียวหาไม่เช่นนั้นไหลบริเวณนั้นของเขามีหวังแหลกยับเสร็จกันไก่เกยไม่ได้กินเขาบ่นอุบอิบในลาคอแล้วยักไหล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 เรามีปืนอยู่เพียงกระบอกเดียวเพราะฉะนั้นมันควรจะอยู่ที่คุณเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาอีกฉันคงไม่สามารถรับสถานการณ์ร้ายได้ดีเท่าคุณจอมพรานยิ้มน้อยๆชำเลืองดูใบหน้างามที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของความกัดกลุ่มกังวลและขมุขขมอมนั้นเขาเข้าใจดีว่าหลอนปารธนาความคุ้มครองป้องปกป้อ ง, อ, ง, อ, งอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในยามวิกฤตการเช่นนี้ดูแทบจะเป็นคนทัคนกับดารินวราลิ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 จะอย่างไรก็ตามจิตใจและสติสัมปชัญญะของร่อนก็ยังมั่นคงดีเสียกว่าอกสัาศอกบางคนที่เขาเคยพบเห็นมาเสียอีกในภาวะเท่าที่รอนรเผชิญอยู่นี้ผู้ชายแท้ๆก็ยังหมดเรี่ยวหมดแรงสุดลงนั่งทอดอะไรต่อชีวิตบางคนถึงกับกลุ้มคลั่งเสียสติไปเลยอำนาจของป่ามันมีอิทธิพลร้ายกาจนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหลง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 ดารินเริ่มมีอารมณ์ผ่องใสขึ้นเป็นยังไงข้าวเรียงฉันได้ยินคนก็พูดกันมานักต่อนักแล้วแต่ไม่เคยรู้แน่สิทธีก็ใบไม้หรือผลไม้ตามแต่จะหาได้ยังไงล่ะครับหล่อนพยักหน้าและหัวเราะผละไม้หนะ้าพอไหวหรอกแต่ใบไม้จะกินเข้าไปได้ยังไงเื้นายพรานตาคมกริบของพรานใหญ่สอดสายไปรอบด้านในขณะที่เดินปากก็คงคุยอยู่เป็นปกติ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 ถึงจะถึงที่เราตั้งแคมป์แต่แรกไก่ขันก็ถึงโทรพูดเล่นไปได้คนยิ่งก ล, กลุ้มอยู่ด้วยดาดินร้องเบาๆผลักหลังเขาจนเซะขมาไปข้างหน้าพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นคุณหญิงลองคิดดูสิว่าระยะทางไม่ต่ำกว่า30กิโเมตรแล้วก็เป็นทางในป่าทึบกว่าจะไปถึงก็ต้องพรุ่งนี้เดินกลางคืนด้วยหรือเปล่าถ้าผมเดินคนเดียวก็คงเดินได้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 จนอีกฝ่ายหน้าเบี้ยวหลังแอ่คลางอู้ออกมาบ้าเพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงดารินเอ็ดล่านป่าเงียบสงบพร้อมกับเสียงเอ็ดอย่างลืมตัวของหญิงสาวก็ผ่านปรากฏเสียงแผลนสะท้านป่าดังก้องขึ้นในหมู่ไม้หนาทึบเบื้องหน้าระยะไม่ห่างออกไปนักกิ่งไม้หักผงผางแตกอู้เป็นทางตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วดารินพวาเข้าไปสู่แผ่นอกอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นโดยไม่รู้สึกตัว รวพนกระชากหล่อนหลบเข้าไปในโพรงไม้ใหญ่ที่มีจอมปลวกสูงบังอยู่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับกระตุก ป, ปืนจากสองข้างเอวของหญิงสาวออกมาผูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่งวิ่งเหยาะๆหางชี้ตะลุยเหยียบโพงไม้หักละเนรนาศโผลออกมาจากป่าถล่มด้านหน้าจนแผ่นดินสะเทือนเฉียดผ่านโพรงต้นไม้ที่ทั้งสองหลบอยู่ไปในระยะห่างเพียงไม่กี่วาหูใหญ่ทั้งสองโบกกระพือถีเร็ว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 ถ้าพบกันจังหน้าระยะใกล้ๆจะไม่เหมาะนักเขาพูดด้วยสีหน้าและแววตาเรียบๆดารินสุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงยกมือขึ้นเสรยผมและผินซ่อนยิ้มขันๆไว้ในเขาาหน้าปกติส่งบุหรี่ไปให้ดอนอีกตัวพร้อมกับจุดให้ดารินรับมาอัดควันลึกเหมือนจะดับความตื่นเต้น อ, อกสันขวัญแขวน เ, นเมื่อสักครู่นี้ระโนกับความรู้สึกโอนมานร้ายชนิดที่ไม่อาจบรรยายถูกแล้ว นิสัยพาโรเก่าๆก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะคุณนะสิร้องเพลงกวนประสาทอะไรอย่างงั้นก็ไม่รู้หล่อนต่อว่าเครื่องหัวเราะเครื่องกาแฟียอุบอิบอยู่ในลาคออะไรเพลงกวนประสาทเพลงเข้าออกเพราะๆท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยในหนองน้ําแห้งบ้านผมเกิดมาผมก็ไม่เคยร้องเพลงไหนเป็นนอกจากเพลงนิ้งหนองนี่อุตส่าร้องให้ฟังดีๆยังโมโหได้เอาใจยากเหลือเกิน หล่อนหันหน้าหนีแล้วก็ปล่อยคิกออกมาอีกอย่างกั้นไว้ไม่ได้ในท่าทางอาการพูดแบบหน้าตายของเขาแหมให้ตายสิในพานยิ่งอยู่ด้วยกันนานไปถึงจะรู้เช่นเห็นชาติกันขึ้นเรื่อยๆคุณนี่นักยวนหน้าตายตัวยงทีเดียวนะที่ต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ทําเป็นเตะท่าวางเขื่อดินนักจะทําให้แทบร้องไห้ก็ได้หรือจะทําให้หัวเราะก็ได้เพยทุ บ, บายเสียยิ่งกว่าเสือกินคนเสียอีก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 มันเป็นนิวมเนียปปอดบวมเพราะถูกน้ำฝนนี่ยังมาถูกน้ำเมื่อคืนนี้อีกทุเร่จริงถึงว่าสิยี่ห้ออะไรบูโรทั่งแมติกจังเกิลมาสเตอร์แล้วทนใส่มันให้หนักมืออยู่ทำไมถอดข้างหัวลิงไปเสียเถอะถอดข้างหัวลิงแล้วจะเอาที่ไหนใส่กลับไปถึงกรุงเทพแล้วจะให้ใหม่ อย่าหลอกกลับไปถึงเทพี่ครานจะลืมไม่หลอกส่จริงจริงเอาทิ้งก็ทิ้งว่าแล้วเขาก็ปลดนาฬิกาข้อมือออกขยับจากข้างทิ้งตามคำสั่งของหลอนโดยดีดาลินตะคุบข้อมือข้างนั้นไว้แย่งนาฬิกาไปดูมันตายจริงๆรหลอนพิจารณาดูยี่ห้อแล้วตั้งเข็มไขล า, านมันไม่ยอมเดินเอาเลยหญิงสาหัวเราะลั่นออกมาอย่างปรงอ น, นิจจังโถเอ้ย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 วาราเช่นนี้หล่อนงามประทับใจผิดไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นอึดใจใหญ่ต่อมาหล่อนส่งนาฬิกาคืนให้แกเขาพูดเบาวๆว่าอา้าวเอาของของคุณเก็บไว้เถอะฉันพูดเล่นนะที่ว่าให้คว้างทิ้งเสียแปลว่าผมจะไม่ได้ของใหม่เหมือนอย่างที่หลอกไว้ให้ดีใจฉันมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งเที่ยงตรงแน่แน่ที่สุดหล่อนเอ่ยแช่มช้าชัดเจน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 ที่จะให้เกิดการยั่งซึ้งและเข้าใจกันได้ดีที่สุดพระราชาก็อาจเป็นมิตรแท้ของยาจกได้ในภวะเช่นนี้เดี๋ยวนี้หล่อนรู้จักธาตุแท้ของชายที่ชื่อระพินภัยวันเท่าเท่ากับที่เขาก็รู้จักหม่อมราชวงหญิงดาดินวราลิศได้ดีขึ้นหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงสามัญธรรมดาที่เขาเคยเหยียดและหมินน้ำใจขณะที่ช่วยกันย่างเนื้อไว้เตรียมเป็นสบียงเผื่อสาหรับมื้อต่อไปนั่นเอง ก็มีเสียงวิ่งสวบสา ป, ประทับ พ, พุ่มไม้แววเข้ามาใกล้าจากสัตว์อะไรเช่นิดหนึ่งโดยไม่ต้องเตือนหรือบอกกล่าวอะไรทั้งสิน้นดาลินกระโดดรุกขึ้นยืนวิ่งขรบกำบังอยู่ที่โคนไซใหญ่ด้วยสัญชาตญาณระพินเพ่นตามเข้าไปด้วยอึดใ จ, จเดียวก็เห็นต้นเหตุอันเป็นที่มาของเสียงวิ่งนั้นมันโผล่พรวดพลาดออกมาจากปากด่านริมห้วยเป็นกวางหนุ่มเขางามลักษณะกำลังตื่นตกใจอะไรสักอย่างหนึ่ง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 แทงหูระ ก, กว่าสายตาไป ร, บรอบๆอย่างพยายามจะสาเนียกรหัสป่าสีหน้าของเขาส่อแววกังขายิ่งทำให้รอนกะวนกวายเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นแรงจับแขนเข้าไว้แน่นเกิดอะไรขึ้นไฟป่ากำลังรอนกระซิปพรานใหญ่กว่าสายตาไปรอบด้านอัญช อ, อุ่มเขียวไปด้วยใบไม้สดอันแสดงถึงความชุ่มชื่นของป่าแล้วพยายามสูดกลิ่นสันศีสะเห็นจะไม่ใช่หรอกครับ ไฟป่าจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ป่าสดชุ่มน้ำอย่างนี้ไม่ทันจะขาเสียงของเขาเสียงประราชนิดหนึ่งก็แว่วมาท่ามกลางความเงียบสงดเป็นเสียงกรูเกลียวมาจากดงทึบจากเท้าสัตว์หลายร้อยหลายพันข้างกำหนดทิศ ท, ทางแทบไม่ถูกว่ามันมาจากทางด้านไหนบ้างเพราะเคลื่อนไกล้เข้ามาพร้อมกันหมดทุกทางราวกับคลื่นในมหาสมุทรน้าหนักของฝีเท้าเหล่านั้นไม่ดังหนักแน่นเหมือนกับกีบสัตว์ ขนาดใหญ่ประเภทวัวควายกระถิ่งหรือช้างแต่อาศัยที่มีจำนวนมากทำให้ป่ารั่นไปหมดแล้วคำตอบก็มีอย่างชัดเจนเมื่อแววเสียงเห่าหอนแท่สนันไปหมดจากรอบทิศหมาฝูงใหญ่ทีเดียวดาดินร้องเห็นจะไม่ใช่ฝูงหรอกครับแต่เป็นกองทัพมากกว่าจอมพรานตอบโดยเร็วแงนหน้าขึ้นไปบนต้นใสใหญ่ที่หลบกำลังอยู่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 แล้วค่อยๆตายตามสบายกลับขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นายจ้างสาวถือปืนคุมเชิงจ้องมองดูการปนีนขึ้นมาของเขาอย่างกระสับกระส่ายนึกภาวนาให้เขากลับขึ้นมาเสียโดยเร็วพอรพินขึ้นมาถึงหมูป่าฝูงเดิมที่วิ่งผ่านไปทางฐานน้าเมื่อครู่นี้ก็พากันวิ่งกระเจิงย้อนกลับมาอีกอย่างไม่เป็นสัมเหมือนจะพบกับภัยสกัดอยู่ด้านหน้ามันพากันวิ่งผ่านโคนทรายทางปากคั่วอีกครั้ง เจ้าตัวใหญ่ๆเขี้ยวงอกขาวสี่ห้าตัววิ่งคุมขบวนอยู่รังท้ายเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวงเสียงเห่าหอนของกองทัพหมาในใกล้เข้ามาทุกทีพุ่มไม้รอบด้านสั่นไหวอยู่ยว่บยาบอันเกิดจากการที่มันวิ่งผ่านรอดซุ้มไปหมูฝูงนั้นปรูตรงไปทางป่าข้วยยังไม่ทันจะเคลื่อนรับหายเข้าไปหมดสิน้นก็แตกกระจายผงะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องลั่นเพ่นแตกฝูงเอาตัวรอดกันไปตัวรทิรทาง แล้วบัดนั่นเองป่าทั้งป่ากาแ็แลเห็นเป็นสีแดงพืชรานตาไปด้วยกองทัพมหากองทัพหมามรุตยูที่ประดังพรางภูออกมาจากรอบด้านในลักษณะล้อมวงไม่อาจคำนวณปริมาณของมันได้ถูกได้ยินแต่เสียงห่ากันโชคขู่คำรามแซ่สนันอื้ออึงฟังไม่ได้สับและกงเขี้ยวที่เสยยยาวแลสลอนไปหมดเหมือนภาพร้ายแล้วภาพอันตื่นเต้นระคนสยดสยองก็พ่านปรากฏขึ้นในสายตาของคนทั้งสอง ที่อาศัยความสูงของต้นไทรเป็นที่หลบภัยฝูงหมูพากันวิ่งพรานเพราะไม่มีทางหนีไม่ว่าจะหันไปทางด้านใดพวกมันแผ่เสียงร้องอยู่กึกก้องสน่นป่าแล้วคนไปกับเสียงเห่าคำรามของหมาถอยรวมกันเข้ามาอยู่ในใจ ก, กลางวงร้อมเจ้าพวกหมาในซึ่งมีจำนวนมหาศาลเป็นกองทัพโดยที่ไม่เคยปรากฏว่าสัตว์ชนิดนี้จะรวมฝูงกันได้มากมายอย่างนี้มาก่อนก็บีบร้อมวงแคบเข้ามา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 ส่วนรพินจุดบุหรี่สูบเฝ้าดูความหิวกระหายและดุร้ายทารุนของหมาในฝูงนั้นเงียบๆเขาคอยระวังระมัดระวังไม่ให้หนายจ้างสาวลืมตัวเผลอพัดตกลงไปเท่านั้นครั้งหนึ่งหญิงสาวยกปืนขึ้นขยับจะยิงลงไปยังกลางฝูงหมาผีดิบเหล่านั้นแต่เขาจับข้อมือไว้สันศีษะไม่มีประโยชน์เสียลูกปืนเปล่ามันอมหิ ท, ทารุนร้ายกาถือเกิน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 หรือมิฉะนั้นมันก็คงจะได้กลิ่นของมนุษย์สองคนที่หลบภัยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เหนือมันและคิดด้วยความรำพงว่านั่นคือกลิ่นเหยื่ออันโอชะถ้าหากมันแยนขึ้นมาเห็นถ้าหากมันแยนขึ้นมาเห็นเราจะทำกันยังไงหลอนกระซิบเราอยู่สูงพอและไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีหมาชนิดใดในโลกนี้ปีนต้นไม้ได้นอกจากพวกหมาไม้ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทหมา เขาตอบอย่างชวนให้หลอนเกิดอารมณ์ขันแต่ในขณะนี้ดารินขันไม่ออกหลอนหวาดเสียวต่อภาพเบื้องล่างจนสุดที่จะกล่าวได้ภาพของหมูป่าแต่ละตัวที่ถูกกัดทึ้งเนื้อหลุดเป็นชิ้นๆภายในพิบตาก็เหลือแตก่กระดูกความประมาะตื่นเต้นของหลอนทำให้เท้าเขียกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งหักหล่นลงไปกลางกลุ่มของมันที่วิ่งพร่านอยู่โคนต้นพอกิ่งไม้หล่นลงไปกระทบพื้น พวกมันก็แงนเงยขึ้นมาพบครั้นแล้วปริปตานั่นเองเขี้ยวขาวน่ากลัวนับสิบสิบคู่ก็แยกเสี่ยะขู่คํารามเห่าเซงแจกันอยู่รอบโคนต้นในตาวาวราวกับตาปีศาจตะเกียกตะกายอยู่ที่โคนใส่เบื้องร่างทําท่าเหมือนอยากจะตะกายขึ้นมาให้ได้ไม่ยอมพระไปไหนนอกจากจะเห่าล้อมอยู่เบื้องล่างอย่างดุร้ายกระหายเลือดเช่นนั้นแล้พินส่งเสียงตะเพอตรงไป แต่พวกมันกับสเสี่ยเคี้ยวคำรามตอบขึ้นมาอย่างกำแหงหานถ้าล้อมดักเฝ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือดาลินเอ่ยอย่างพร่านใจแต่สีหน้าของพรานใหญ่ดูจะไม่อนาทนร้อนใจอะไรนักก้มลงมองดูฝูงหมาวายร้ายนับร้อยที่เต็มพื้นอยู่ในบริเวณป่าเบื้องล่างแล้วชี้ให้หล่อนดูไปที่ตัวหนึ่งเถ่าและสูงใหญ่ผิดไปกว่าทุกตัว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 ขณะอยู่บนต้นไม้ยังอุตส่าห์คอยเฝ้าดาลินง้างนกปืนกลิ๊กเล็งศูนย์ไปที่หัวอันใหญ่ของเจ้าตัวจ่าฝูงที่กำลังอาปากเะเงื้ออยู่ที่โคนต้นแล้วจุดสามห้า็ดกน้ำก็ระเบิดกึกร้องสถานด่งกลบเสียงเห่าหอนของพวกมันหมดสิ้นพร้อมๆกับเสียงปืนเจ้าสีเทาตัวใหญ่ผงะกลิ้งลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับบริเวณรากไส้โดยไม่ร้องแม้แต่คําเดียวกระตุกสองสามครวดก็แน่นิ่ง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 เจ้าหมาผีดิบล้มลงดิ้นวายปานอย่างแม่นยำหล่อนไม่ได้ยิงหมายเพียงนัดรัตัวเท่านั้นแต่ยิงอย่างฉลาดคือกะให้ทะลุร้อยพวงไปถูกตัวอื่นๆที่อยู่ในแนววิถีกระสุนอีกด้วยดังนั้นเสียงระเบิดกึดกก้องกับมันหน้าแต่ละนัดพวกมันจึงชักดิ้นชักงอไปข้างละไม่น้อยกว่าสองตัวขึ้นไปบางตัวทะลุไปถูกไม่ถนัดก็เพียงพิ ก, การวิ่งร้องลั่นป่า มันเป็นการยิงที่ได้ผลอย่างยิ่งอย่างไม่ทันจะหมดชุดแรกหกนัดที่บรรจุอยู่ในปืนหมาผีนับร้อยฝูงนั้นก็แตกฮืออีกครั้งคราวนี้พากันวิ่งกระจัดกระจายส่งเสียงร้องตามสัญชาตญาณเดิมของมันเปิดป่าราบไปเสียงมันวิ่งเหยียบใบไม้แห้งกรุเกลียวห่างออกไปตามลำดับทิ้งซากเพื่อนที่ถูกยิงนอนกลิ้งอยู่็ดปดตัวใกล้ๆกับกองกระดูของหมูป่าที่ขาวโจนกาดเกลือนอยู่ และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่บังอาจหวนกลับมาอีกและพีนควักลุกปืนไรเฟิลจุด4 5หที่มีติดกระเป๋าเสื้ออยู่ออกมาโยนลงไปในกองไฟคุกรุ่นที่เขาก่อไว้ย่างเนื้อสี่ห้านัดแล้วเตือนให้หล่อนเกาะกิ่งไม้หลบให้ดีเพียงครูเดียวลูกปืนเหล่านั้นก็แตกระเบิดขึ้นดังสนั่นติดต่อกันเสียงของมันราวกับระเบิดมือปานป่าจะถลม่มไฟกองนั้นกระ จ, ระจายฝุ่นกรุง ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าพวกมันทั้งฝูงจะไม่วิ่งกันหูตูบสิ้นความกำแหงหานที่จะย้อนกลับมาทั้งสองลงมาถึงพื้นเบื้องล่างอีกครั้งภายหลังจากแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วดารินมองดูกองกระดูกของหมูป่าฝูงนั้นอย่างอนเนจอนาใจเนื้อบางส่วนและสีษะของเก้งตัวที่ระพินยิงไ ด, ได้ได้ทิ้งไว้ใกล้ๆโดยยังไม่ทันย่างก็พลอยเหลือแต่กระดูกไปด้วย ซึ่งก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าทั้งหลอนและเขาไม่ได้อาศัยส่วนสูงของไซใหญ่ต้นนี้ช่วยไว้ก็คงจะมีสภาพไม่ปิดอะไรกับกองกระดูกลเหล่านั้นทำไมพวกมันถึงดุร้ายน่ากลัวขนาดนี้นะตัวก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะักหลอนครางออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองเดินอย่างขยาดเข้าไปพิจารณาดูเจ้าจ่าฝูงตัวแรกที่หลอนยิงคว่ำาที่พรานใหญ่ก้าวตามเข้ามาด้วยใช้เท้าเคียวซากนั้น มันอาศัยจํานวนมากเข้าว่าครับตามปกติแล้วหมาในพวกนี้เท่าที่ผมเคยเห็นฝูงหนึ่งมีประมาณไม่เกินสิบตัวเป็นอย่างสูงไล่จับสัตว์ขนาดย่อมๆกินและไม่เคยกล้าประจันหน้ากับคนมันไปยังไงมายังไงไม่ทราบเดินไปรวมฝูงกันได้นับร้อยๆตัวแบบนี้มันก็คือเจ้าป่าเพราะมันรู้ดีว่ากาลังส่วนมากของมันต่อให้สัตว์ใหญ่ก็ต้านมิติด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 มันตกใจเสียงปืนประกอบกับไม่มีโอกาสจะได้งานเราได้เลยเพน่นหนีไปถ้าอยู่พื้นราบเดียวกันต่อให้ปืนสัก20กระบอกก็เห็นจะต้านพวกมันจำนวนร้อยๆหเหล่านี้ไม่ติดแล้วเราก็จะกลายเป็นกองกระดูกในพริปตาเหมือนหมูฝูงนี้ฉันเริ่มเป็นห่วงพวกเราที่กระจัดกระจายพรัดพรากกันอีกแล้วลสินี่ถ้าบังเอิญแต่ละคนเหล่านั้นเผชิญกับไอหมาผีฝูงนี้เสียงของรอนแหบพร่าไปอย่างสยองใจ กานใหญ่สันศีษะหนีขึ้นต้นไม้สูงสูงเสียก็ปลอดภัยการหลบลีกภัยจากพวกมันไม่ยากเย็นอะไรนักและแต่ละคนพวกเราก็คงมีสติดีพอที่จะคิดถึงความจริงในข้อนี้ได้ถ้าบังเอิญเขาพบมันเข้าแล้วเขาก็เล่าให้หล่อนฟังถึงเหตุการณ์เมื่อคือนที่แล้วก่อนที่ฝนจะตกใหญ่และเกิดน้าป่าขึ้นดารินพอรู้เรื่องก็แทบผงา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 ว่าแล้วก็ก้มลงหยิบหอกไม้ไผ่ที่ทิ้งไว้โคนต้นใส่ขึ้นมาพยักหน้าชวนหล่อนให้ออกเดินทางต่อไปบุกไปตามดงทึบแถบชายดำทานแล้วก็บ่ายหน้าข้ามลูกเขาเตี้ยเตี้ยลูกหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยสักป่าและเต็งรังดาลินเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไผ่ทุกฝีก้าวปืนสั้นถือกระชับมั่นอยู่ในมือตลอดเวลาการเดินหล่อนเดินอยู่เบื้องหน้าเขา ในระยะที่พารนใหญ่เอื้อมมือถึงอีกชั่วโมงเต็มๆผ่านไปอากาศเริ่มมืดครึ้มพะเมฆฝนป่าในระยะนี้ตกอยู่ในห้วงสงบไม่มีอะไรแผ่ว่านหมาเห็นทั้งสิ้นคงจะเนื่องมาจากตื่นภัยของฝูงหมาผีดิบที่ยกกองทับเคลื่อนผ่านมาอย่างหมายทำลายร้างทุกชีวิตที่อยู่ในรัศมีของมันพอลงตีนขาวอีกฟากหนึ่งก็เป็นป่าไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงใหญ่ทะยานเยี่ยมฟ้า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 หวังว่าเราคงจะไม่ประจันหน้ากับไอ้แหวงเข้าอีกในเวลาเช่นนี้นะหญิงสาวพึมพำแหบๆแล้วก็บุ้ยปากไปที่รอยอันย่ำอยู่สับสนเป็นหลุมบ่อไปหมดเพราะดินอ่อนรอยใหม่หรือเกินคล้ายๆจะเดินล่วงหน้าเราไปเมื่ออึดใจนี้เองพรานใหญ่หักกิ่งไม้เล็กๆทดลองจิ้มแทงลงไปในมูลกองหนึ่งแล้วชักขึ้นมาสารวจ ด, ด, ดูอย่างเร็วก็เมื่อคืนนี้ครับไม่ใช่หยกๆนี่หรอก แล้วก็ไม่ใช่โขงไอ้แหว่งผมคิดว่าคุณหญิงคอยระวังไอ้พวกหมีจะดีกว่าป่าแถบนี้เป็นโดงของมันทีเดียวถ้ายัางไงแล้วก็หลบก่อนอย่าเพิ่งยิงแล้วเขาก็บอกให้หล่อนเดินตามรอยด่านช้างนั้นไปเรื่อยขณะที่ผ่านบริเวณหุบลึกตอนหนึ่งหญิงสาวก็หยุดชะ ง, งักเพราะได้ยินเสียงอะไรชนิดหนึ่งแว่วมาตามลมประสาทของหล่อนเร็วพอใช้ทีเดียวในภาวะเช่นนี้รพินเองก็เงี้ยหู เพราะเขาสำเนียกคอยจับฟังเสียงอยู่ก่อนแล้วเสียงแรกมันเป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งที่เหมือนคนหัวรเราะห้าวห้าต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆขวานกระทบไม้ดังมาแต่ไกลแสนไกลหูชันฝาดไปหรือเปล่าดาลินหันมากระซิบคุณหญิงได้ยินอะไรหรือเสียงเหมือนคนตัดไม้ใกล้ๆคานใหญ่สงบฟังอยู่อึดใจ โดยแยกเสียงเสียดสีเป็นจังหวะของกอภัยและเสียงชนีที่ร้องไกลมาจากยอดไม้เชิงเขาลิบๆิเสียงประกาดนี้ดังขาดขาดหายไปเมื่อลมโชยพัดมาก็แววถนัดสีครั้งหนึ่งใช่แล้วครับเสียงมันคนโค้นต้นไม้แต่ไกลหรือเกินเห็นจะไม่ต่ำกว่า 3-4 สี่กิโลเมตรทางด้านเหนือแต่ว่าควรจะมีคนอยู่ที่นั่นสิหลอนถามโดยเร็วจอมพรานเม้มริมฝีปาก หันกลับไปพิจารณาดูรูปเขาที่ผ่านลงมาอีกครั้งแล้วทำหนางงสั่นศีษะช้าช้าความจริงในละแวกสิกิโลเมตรนี่ไม่มีหมู่บ้านชาวป่าเลยครับจะว่าพวกกะเลียงที่ผาเยิงมาตัดไม้แถวนี้ก็ใช่ที่เพราะมันห่างไกลกันหรือเกินแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพวกกะเลียงอพยพย้ายถิ่นที่อยู่เสมออาจมาตั้งหมู่บ้านแถวนี้ขึ้นใหม่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 ดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในํำคอด้วยความตื่นเต้นดีใจลูกเสือทั้งสามตัวกำลังน่ารากักน่าเอ็นดูทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมันภรรยาที่พบโดยใกล้และเสียงร้องเบาๆของหญิงสาวทำให้เจ้าโครงน้อยผู้ไร้เดียงสาทั้งสามตัวพากันลุกขึ้นหันมามองแล้วมันก็วิ่งเรียงแถวเป็นพรวนเข้ามาหาหลอนตะกายตัวโผพันครุกคลีอยู่ที่ขาหญิงสาวเป็นตาเป็นประกาย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 ตื่นสั้นในสองข้างเอวของหล่อนถูกเขากระชากไปกลุ่มกระชับมั่นไว้ในมือสอดสายสายตาอย่างร้อนรอนไปรอบด้านคุณหญิงอันตรายที่สุดไปจับลูกมันทำไมเสียงของเขาเกือบเป็นตะวาดดารินน่าตื่นทำไมหรือโดยไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวพรานใหญ่จุดแขนหล่อนให้ห่างออกมาจากลูกสือโคร่งเหล่านั้นดึงหลบเข้าไปกบบาบังอยู่หลังโขดหิน กว่าสายตาไปรอบๆลูกเสือพยายามวิ่งตามเข้ามาพันขาอีกแต่เขาเตะพวกมันกระเด็นออกไปคนละทิศทางดาดินร้องแหลมออกมาอย่างโมโหอ้าปากขึ้นแต่ต้องหยุดชะ ง, งักกลางลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นเพราะฝ่ามือข้างหนึ่งของพรานใหญ่ตะคุบ ป, ปากไว้มัน่นเงียบเสียงนั้นเฉียบขาดชนิดรอนไม่เคยได้ยินมาก่อนระหว่างที่รอนยังยืนงงไม่รู้เรื่องและเต็มไปด้วยโทสะในอาการของเขา ล้วผินเม้มปากแน่นเหงือผุดซึมเต็มใบหน้าแง น, นกวาดมองไปยังต้นไม้รอบด้านแล้วมาจับนิ่งอยู่ที่ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ๆกระช้าแขนหล่อนตรงไปที่นั่นโดยเร็วผลักหลางหญิงสาวบุยปากขึ้นไปบนต้นไม้พูดเร็วปือแทบไม่หายใจยังไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นขึ้นไปเร็วขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถสีหน้าและแววตาตลอดจนอาการของเขาทําให้หล่อนไม่อาจที่จะต่อร้อต่อเถียงอะไรอีก แม้จะยังเต็มไปด้วยปัญหาหลอนจำใจต้องปิดบัติตามคำสั่งของเขาตายตามกิ่งเถาวัลที่พั์อยู่ตามลำต้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ระพินยืนคุมอยู่ข้างล่างในที่สุดก็ขึ้นไปถึงคาคบใหญ่สูงจากพื้นประมาณสิ1 8็ดสิบปดฟุตพรานใหญ่โบกมือให้หลอนตายขึ้นไปอีกแต่หญิงสาวสันหน้าเป็นความหมายว่าหมดความสามารถเพราะระยะของลำต้นที่สูงชะรุดขึ้นไปตอนนั้น ไม่มีกิ่งพอที่หลอนจะอาศัยเกาะขึ้นไปอีกแล้วนอกจากลําต้นโดดโดดเหมือนต้นหมากหรือมะพร้าวซึ่งหลอนตายต้นไม้ชนิดนั้นไม่เป็นแล้พินยืนสงบนิ่งตาคมวัยอยู่ที่นั่นอึดใจเดียวก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังสำรวจ ด, ดูบริเวณนั้นโดยตลอดพบว่าใต้เชิงอ่อนหินตำแหน่งนั้นเป็นซอกถ้าลึกเข้าไปประมาณสเมตรภายในเต็มไปด้วยกองกระดูกขาวโพลนไม่มีปัญหา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 ล้วพินสำรวจดูรูปทางคร่าวๆแล้วปาดตรงมาที่รูปพยักษ์ลายทั้งสมตัวและโดยที่ไม่สนใจคํานึงถึงเสียงร้องห้ามเสียงหลงของดาลินที่กระโกนแหลมลงมาจากยอดไม้จอมพลานชักมีดเดินป่าออกจากซองข้างเอวกระนำฟันลูกเสือเหล่านั้นชักดิ้นชะงอตายหมดแล้วกระโจรขึ้นต้นตะเคียนต้นเดียวกันกับหล่อนตายขึ้นไปโดยเร็วไม่กี่พริบตาเขาก็ปาริหารขึ้นมาอยู่บนครบเดียวกันกับหล่อน พูดซึ่งในขณะนี้จ้องตาลุกวาวมาด้วยความขืนขุนเคืองโกรธแค้นใจร้ายคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหี้ยมโหดเกินไปแล้วลูกเสือเล็กๆสามตัวกำลังน่ารักนั่นมันมีภายอะไรนักหรือคุณถึงฆ่ามันได้ลงคอฉันอยากจะฆ่าคุณเสียจริงหล่อนกัดฟันพูดเขาไม่ถือสาในอารมณ์เกรียวกราดของหล่อนหัวเราะหึห่หอยู่ในราคอตายังคงกล่าวสารวจลงไปเบื้องล่างไม่กระพริบ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 แต่หญิงสาวปัดมือไปโดยแรงเขาจึงสูบเองพางหมุนลูกโมสิงเกิลแอคชั่นในมือสำรวจกระสู์เพื่อความแน่ใจอีกครั้งความจริงผมเองก็ไม่อยากฆ่ามันถ้าไม่ใช่เพราะคุณหญิงไปจับต้องพวกมันเข้าจะห้ามก็ห้ามไม่ทันคุณหญิงยังไม่ทราบว่าเสือแม่ลูกอ่อนร้ายการสักขนาดไหนลงมันได้กลิ่นมนุษย์ที่มาจับต้องลูกขามลูกๆของมันแล้วมันเป็นตามลาชนิดถึงไหนถึงกันทีเดียว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 ดาลินถอนใจยาวหล่อนเพิ่งจะเข้าใจถ้างั้นขอโทษที่ฉันรุนแรงกับคุณเมื่อกี้มันสะเทือนใจหรือเกินที่เห็นคุณฟันลูกเสือเล็กๆ เ, เหล่านั้นตายหมดต่อหน้าต่อ ต, อตาฉันมันกำลังน่ารักน่าเอ็นดูนี่แปลว่าตรงจะงอนหินนั่นเป็นลังของมันหรือครับถ้ำของมันเลยกระดูกเกลื่อนไปหมดดูเหมือนจะเห็นหัวกระโหลกคนอยู่ด้วยสองสำหัหัวแต่เป็นกระโหลกเก่าๆคงนานมาแล้ว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 ตรงข้ามกับแสงสว่างของกลางวันที่กลับมืดลงอย่างวั่นาพทัานใดนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดก็มีเสียงกิ่งไม้ลั่นมาจากที่ใดที่หนึ่งอย่างเบาในการตั้งใจสะดับฟังเช่นนี้เสียงของมันได้ยินอย่างถนัดจากนั้นก็มีกลิ่สสนสาบสางเหมือนสัตว์ตายซากโชยมาตามลมพรานใหญ่ขยับตัวอย่างแผ่วเบาชำเลืองไปทางหญิงสาวเห็นหลอนจ้องอยู่ที่เขาก่อนแล้ว ยอดของพุ่มไม้ดิมโคถินเบื้องล่างด้านหนึ่งแลเห็นสั่นไหวน้อยน้อยและมีเสียงดินในลาห้วยถล่มร่วงพลุอันเกิดจากการตะกายขึ้นมาของอะไรชนิดหนึ่งครั้นแล้วอึดใจใหญ่ต่อมานั่นเองสิ่งอันเป็นต้นเหตุของสาบสางและพุ่มไม้ไหวก็ปรากฏร่างของมันขึ้นแม้จะคเนได้ถูกต้องมาก่อนแล้วก็ตามน้ำบาดนี้เลือดในกายของหม่อมราชวงหญิงดาลินเวลาลิตแทบจะจับแข็งเป็นก้อน จ้องตะลึงตาไม่กระพริบส่วนหัวอันใหญ่โตสีน้ำตาลเข้มจนดูเป็นแดงสลับเส้นริ้วดำโผลออกมาก่อนพร้อมกับดวงตาอันเขียวเข้มแล้วร่างพ่วงปีกํายามราวกับม้าก็กลายรับพุ่มไม้ออกมาให้เห็นทั้งตัวถ้าไม่แปลกอกก็เฉียดเฉียดไปและตามความรู้สึกของหญิงสาวในขณะนี้สมมติว่ามันกระโจนพรวดเดียวก็คงจะเลยตาแหน่งคาคบที่หลอนและผานใหญ่ซุ่มตัวอยู่เป็นไหน